ในพักไปหนึ่งสัปดาห์นะครับสัปดาห์ก่อนได้อธิบายไปแล้วส่วนหนึ่งของอายาห้าสซึ่งมีความต่อเนื่อง จาช่วงที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลได้ให้การปอบใจท่านนบีซามม์ฮ์ฮานิฮฺสัลลัมในคุณสมบัติของอัลกุรอานในฐานะที่เป็นที่พึ่งของผู้ศรัทธาทั้งเป็นความเมตตาเป็นความบรุทประทานและเป็นยาบําบัดเป็นข้อเตือน สำหรับมนุษยชาติโดยรวมและสําหรับผู้ศรัทธาโดยเฉพาะซึ่งการที่อัลกุรอานได้เป็นที่พึ่งแบบนี้สําหรับผู้ศรัทธาแล้วจะไม่มีทางเลือกอื่นที่จะให้อัลกุรอานนั้นเป็นธรรมนูญแห่งชีวิต เป็นคู่มือชีวิตที่จะชี้นำสิ่งที่ถูกและผิดสิ่งที่ถูกให้ทำสิ่งที่ผิดให้เลี่ยงหลักการว่าด้วยข้อห้ามและข้อใช้เนกูรอ่านปราบมุสลิมก็จะย่อด้วยสงคำนี่ก็คืออิสร์ลัวลลตฟานจงทำจงอย่าทำอิสร์ลจงทำแลตฟาจงอย่าทำ ว่าอุษุน์อัลฮัติทรง่นละวีอลละลาฮูอัลลอฮิวสาริมีสองอย่างเนี้ยที่เป็นเนื้อหาของคู่มือชีวิตเพราะการกระทำของมนุษย ah ์น well. ี่ก็มีสองอย่างทำและไม่ทำการนอนหลับของเรานี่คืออะไรคือทำหรือไม่ทำการนอนหลับนี่คืออะไรเอ้คือทำหรือไม่ทำทำอะไรศาสนาสั่งให้นอน การที่เรานอนหลับนี่ก็คือการที่เรางดงดทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงข้อใช้นะแต่ข้อสังเกตว่าตอนนอนหลับเนี่ยข้อใช้ทั้งหมดนี่นะเราก็งดให้ไปอีกถ้าเราหลับนอนแล้วก็ไม่สามารถตื่นช่วงเวลาละหมาดเนี่ยศา ส, สนาโทษไหมทางที่มันเป็นข้อใช้นะ่ะเป็นข้ออีฝาลอีฝาลจงดำนะ แต่ถ้านอนแล้วเนี่ยขณะที่นอนนะนอนถึงเวลาสรีจนหมดเวลาสรีเผอไม่รู้เรื่องได้ทําผิดไหมไม่ทำผิดตื่นแล้วก็ละหมาดช้าอย่างเดียวเลยโดยไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีบาปไม่มีไม่มีการลงโทษเป็นวลีของผู้รู้ที่เขาบอกว่านะมุบวรนีม่มีอไรบา้างการนอนหลับของคนโซลิมเนี่นยไปไหนบา้างคือเขาเขาทำอะไรบ้ดางโดยไม่รู้ตัวเพราะคนโซลิมเนี่ยทํา ถ้าถ้าตื่นถ้าตื่นทําอะไรซอยลิมคนอื่นทําคนอื่นทําบาปไงแต่ถ้านอนละ่ะงดบาปก็ เ, เป็นไอ้บาดลสําหรับเขาแหละเป็นเรื่องดีสําหรับเขาแต่บาคนซอยลิมนี่จะมาเทียบระหว่างชีวิตเขาเนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับเขานี่คือคืออะไรมึง น, นอ น, นนอนเบ้อดีที่สุดแล้วศา ส, สนานี่มีข้อห้ามแล้วก็มีข้อใช้ ชีวิตของเรานี่ก็ค้นหาดูนี่แหละอะไรที่มันเป็นข้อห้ามแล้วก็ข้อใช้ให้มันสอดคล้องกับคำสอนของพระเจ้าอย่างที่บอกเนี่ตอนที่เรานอนหลับเนี่ยมันมีข้อใช้หรือข้อห้ามนอนหลับนี้ไม่มีข้อใช้มีข้อหาข้อลุลมแต่นี่ให้นอน แต่การที่เราจะนอนหลับเนี่ยถ้าเราได้ปรับเจตนาของเราให้มันเข้าไปอยู่ในข้อใช้เหมือนที่มุอาจิบีญเจเบลด้บอกว่าอินนีลาอัตติบูนโนมติก็มัตติบูควมติข้าพเจ้าเจตนาบริสุทธิ์พยายามที่จะมีเนียดมีการเจตนาที่บริสุทธิ์ตอนละหมาดตื่นละหมาดกลางคืนนั้นก็ต้องเนียดดีใช่ไหม และตอนนอนหลับเนี่ยก็มีเจตนาที่บริสุทธิ์ที่ดีเช่นเดียวกันนอนเพื่อพักผ่อนจะได้พักผ่อนร่างกายจะได้แข็งแรงตื่นแล้วจะได้ทำอะไรบาดะพักผ่อนมีสุขภาพแข็งแรงทำม า, ากินมีรายได้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวทั้งหมดนี้เป็นข้อใช้นะแต่ถ้าเราเนีกว่าตอนนอนเนี่ยจะได เนียตรงนี้จะได้ทำตรงนี้ไอ้นอนหลับนี่มันก็กลายเป็นข้อใช้หมายถึงว่านอนหลับนี่แหะขณะที่หลับหลับกลืนน่นนะได้ผลบุญเพราะเจตนาดีแล้วมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเลยนะจะจะนอนแล้วจะต้องมีเจตนานี่โอ้โหต้องมาต้องมานั่งสมาธิก่อนไม่กาวอัสการก่อนนอนนี่น่เก็บละ เพราะแค่สิกิในการในการนอนนี่นะหมายถึงว่าเรามอบหมายชีวิตของเราตอนนั้นนะนะแด่ผู้ที่เรากาลังริ่มลึกถึงพระองค์แค่รึกลึกถึงอัลลอฮ์ก่อนนอนนี่แสดงว่าเรารู้ละว่าชีวิตของเราตอนตื่นตอนนอนนี่แหะอยู่ที่อัลลอฮ์แสดงว่าเราเราเราต้องยอมรับว่าทุกบริบททุกขั้นตอนทุกอรีบทของเรานี่นะเดือเาะินลตวะนุซกมฮยอัลมาตีลิลฮิรบบิลอาลามิน لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل و محمد تنقلا و ت صان ن, ن, ن ب ر ك ا. س م ر ف و س ت إن ص ل ا ت ي ة ج ن ك ل م ا ของฉัน و ن س ك ي ب, ك ب ا د ة ของฉัน نسكي علم บางท่านที่หมายว่านุสุ์การบัติทั่วไปนุสกอไรนัตบทีนุสก์ีเิกเฉพาะ ศาสนาคิดเฉพาะเช่นการทำฮัจเลออุมราะเฉพาะนี่ก็ได yani ้กูุสุกแต่ในอายะนี้เนี at, ่ยก็คือทุกนุสุกทุกทุกอาบาดาห์นุสุกกับศาสนาคิดนี่ใกล้เคียงกันอุลิมนาซาล่าทีการละบาดของฉันว่านุสุกีการอายบาดาห์ทำอายบาดาห์ศาสนาคิดของฉันทุกประการว่ามยายาชีวิตของฉันว่มามาตีและการตายของฉันลิลลัยอรลอบบิลลาลามีนในสังเกตดูนะ ชีวิตของฉันนีเพื่ อ, อนเล่ามีพ อ, พอกอคิดนะเราดํารงชีวิตเพื่ อ, อนเล่าหนีพอเข้าใจตายเพื่ อ, อนเล่าน่ะเราจะเลือกได้อะตายคาที่อย่างเนี้ย้ก่อนตายนี่กูอขอตั้งใจกอดขอเจ ต, ตนาตายเพื่ อ, อนเล่าไม่ใช่คือเราดํารงชีวิตเพื่ อ, อนเล่าตลอดเวลานี่นะถ้าตายแล้วนี่ก็ตายเพื่อมเล่า คือตายในสภาพอื่นเนี่ยมันจินตนาการไม่แน่นอนแต่สภาพอื่ น, นยังเงถ้าคนที่เขาเฝ้ า, าระวังตัวเองเนี่ยว่าให้ชีวิตพ้นน้อยอย่างเดียวนะไม่มีทางหรอกไม่มีโอกาสที่จะพลาดนะต่าลังสูบบุรีว่วิญญาณออกไปกับควันนะก็เพราะช่วงนั้นเนะี่ยไม่ได้เฝ้าระวังตัวเองให้อยู่ในคันลองของขอ ง, ของของของคำสอนของอะไรไงแต่ถ้าเฝ้าตัวเองว่ามยายะชีวิตทั้งชีวิตนี่นะทุก ข, ขั้นตอนนี่นะ เรา Allah อยู่กับ a l l a นะมันไม่มีการที่จะพังแล้วช ريك ของเรไม่มีภาคีใดๆหมายถึงไม่มีอื่นใดจาก Allah ที่จะเป็นเป้าประสงค์ในชีวิตเป้าประสงค์อื่นจะเป็นเป้าประสงค์รองเรียนเพื่อทํางานทํางานเพื่อมีอาชีพไรายได้ นะแต่ที่สุดเนี่ยทั้งหมดเนี่เพื่ออะไรเพื่อจะได้ทําในสิ่งที่พอัลลอฮ์บอกก็ไทยก็อตอนเรียนนี่ยก็เรียนสิ่งที่อัลลอฮ์อนุ ญ, ญาตให้เรียนพอทํางานนี่ทํางานในอาชีพที่อัลลอฮ์อนุ ญ, ญาตให้ทำงานมีไรายได้แล้วนี่อยากจะแต่งงานมีครอบครัวก็แต่งงานแล้วมีครอบครัวตามที่อัลลอฮ์สุภาพนุ่งตาเาได้กำหนดไว้เป็นเป็นเป้าประสงค์ชีวิตของเราเนี่เป้าประสงค์ ทุกอย่างที่เรากำลังวิดรนกันในสังคมมานะมันจะเป็นเป้าประสงรองสำหรับผู้ศรัทธาแต่ที่สุดของผู้ศรัทธานี่ก็คืออัลลอ์เพราะฉะนั้นชีวิตของผู้ศรัทธานี่จะไม่มีใครจะจ ะ, จะสั่งจะห้ามจะใช้จะห้า ม, าามนอกจากอัลลอฮ์ฮลาลลและฮารรอมเนี่ยเป็นเป็นบทบัญญัติแล้วมันยังเป็น สำนวนของบทบัญญัติข้อใช้หาลทําำได้นอนุญาตให้ทำหรือใช้ให้ทำไม่ให้ทำห้าไม่ให้ทำหารอมซึ่งในกุรอานและหะดีษเนี่ยก็จะมีสองอย่างนี้สองคำนี้เป็นบริบทของมุสลิมในการกำหนด วิถีชีวิตของเขาระหว่างฮลลาลกับฮารอมจากท่านนาบีสุลานเองได้สรุปข้อได้สรุปคำสั่งสอน่างๆอยู่ระหว่างสองอย่าง al-halal ubayinun و ا ل ح ที่จริงหนึ่นก็มีคือระหว่างฮลาลลกับฮารอมหนึ่นก็มีว ا ج บฟรดูะสิ่งที่ต้องทำหรือสิ่งที่เป็นสุนนะ แต่สิ่งที่อ น, นุญาตมีสามอย่างนี้อยู่ในคำว่าฮัลแลหมายถึงว่าทําได้ไงละหมาดนี่ทําได้ไหมได้สิแต่แต่มันจะมีบางอย่างที่ต้องทําบางอย่างเนี่ยทําจะดีกว่าบางอย่างนี้ไม่ต้องทําก็ไม่ไม่ว่าศาสนาไม่ว่าแต่ทั้งสามอย่างนี้นะอยู่ในคําว่าฮัลแลฮารอมเนี่ยก็คือสิ่งที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาด มักรูมันไม่ได้ฮ ARAM โดยเด็ดขาดแต่ไม่สามารถเอาไปอยู่กับฮัลแลได้สิ่งที่มักครูเห็นเนี่ยจะไปอยู่กับสิ่งที่ฮัลแลนี้ไม่ได้เพราะคำว่ามักครูมักครูบ้านเรียกกันยังไงมักครอมักครอมักรูมาจากคดีเหรอมักครู กะรีฮะกะีฮะแปลว่าโกรธกะรีฮะโกรธไม่ชอบเกลียดที่มาของคําว่าน่าเกลียดมะกรูนี่คือน่าเกลียดคําว่ามะกรูน่าเกลียดแต่ไม่ฮ ARAM นะอันนี้เนี่ยมันเป็นนิยามของนักนิติศาสตร์รุ่นหลังแต่ภาษากุณอ่านภาษาหะดีสเนี่ยคำว่ามะกรูนมะกรูนนี่หน้าจะฮ ARAM ในสุราอิสลามนี่อัลลอฮ์บูติ่งเร่งสิ่งห้ามสิ่งบาทั้งหลายนี่รวมถึงจินานะจินาดอกเบี้อะไรดอมีอะไรเนี่ยท้ายนี้อบอกว่าอินนาาลิกะ้นซยอูอนดารับบิกะมะกรูฮแท้จริงสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นทั้งหลายเนี่ยินาดอกเอะไรการอักตันยอยู่ต่อพ่อแม่ที่เราได้ระบุไว้ข้างต้นเนี่ย อินดารับบิคเพราะอัลลอฮ์เนี่ยมักครูฮะเบนซิงค์มักครูฮะจินานี่อะไรมักครูฮะอ่ะอาการยูต่อพ่อแม่งี้มักครูฮะไม่ใช่แสดงว่าอุตรานใช้คำว่ามักครูนี่กระเบนที่ห้ามนั่นแหละแสดงในมัจลัพฮานฟิญี่คบพยายามที่จะคำนึงถึงภาษาอุตรานในในในข้อห้าม เพราะนิติศาสตร์อิสลามคือฟิกเนี่ยมันจะมีสองสำนักสำนักของฮานาวีและก็สำนักของชาวีในการตีความหลักๆนี่อยู่สองสองสำนักเนี่ยสำนักของฮานาวีเนี่ยเขาจะไปดูตัวบทก่อนนะและจากตัวบทเนี่ยจะมาตั้งหลักการของมัลตับชาวีเนี่ยเขาตั้งหลักการก่อนเนี่ยแล้วก็เอาหลักการเนี่ยไปหาตัวบทไปตีความตัวบท ยกตัวอย่างยอย่างมกรุห์เหี้งเนี่ยมัสยิชเวีตั้งหลักการไว้เลยนี่ว่ามกรูห์นี่นก็คือสิงอส่งที่ไม่ใช่ฮารอมเด็ดขาดสิ่งที่ไม่ใช่ฮารอมฉะนั้นมกรูห์เนี่ยใกล้เคียงกับมุบาห์ก็คือฮัลลมากกว่านี่คือที่ใบที่มานี่พอเข้าไปไปฟะตัว่าบุรีนี่มกรุห์แสดงว่ามกรุห์แสด ง, งว่าอะไรแสดงว่าฮัลลนี่ที่ไปที่มาของ ม่กรู้อยู่ดีๆแม่กูรู้ฮาลาลเลยแสดงว่าม่กูรู้น่าเกียดแต่ทำได้แสดงว่าเวลาเราสอนสั่งสอนลูกกันนะอะไรที่น่าเกลียดเนี่ยอย่าใช้คําว่าน่าเกลียดแ่แม่กูทำได้ลูกอะไรที่น่าเกลียดนั้นนีะยอย่อยบาไปอย่าไปสอนลูกว่าน่าเกลียดน่ะสอนลูกว่าทาได้ลูก ฮานาฟีบอกว่าไม่ใช่บอว่าเราสังเกตว่ามักครูในคุรอ่านในฮะดีษเนี่ยมันมีบางบางทีเนี่ยใช้คาว่ามักครูกับเรื่องที่มันฮารอมแสดงว่ามักครูทุกมักครูเนี่ยมันจะฮัลลัลเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้ฮานาวีก็เลยมีมักครูสองประเภทมักครูถารีมันและกมักครูเตนซีฮันมักครูถารีมันีกคือมักครูเชิงห้ามย่างเด็ดขาดหมายถึงว่ามีสถานะเหมือนฮารอม แต่เขาจะแยกมีรายละเอียดในแยกทาไมไม่เรียกว่าฮารอมชัดๆนะเขาบอกว่าถ้าฮารอมชัดๆนีกก็คือที่มาจากคุณอ่านที่มันมีหลักฐานเด็ดขาดแต่ถ้ามีหลักฐานไม่เด็ดขาดยนีอย่างเงี้ยแต่เขาห้ามสํานวนนี่ห้ามเด็ดขาดนี่ยก็จะให้สถานะเป็นมกรูหตภารีมันจะไปเรียกจะไปเรียกว่าจะไปเรียกว่ามกรุหต้น ziel ตันซี e l เราก็เชิงไม่เด็ดขาดตันซี e l เราก็ทิ้งดีกว่า แต่ไม่เชิงเด็ดขาดกาลังจะบอกกับพี่น้องว่าบริบทชีวิตของผู้ศรัทธานี่ก็จะอยู่ระหว่างฮัลลัลฮารอมนี่ที่กุณอ่านนะฮะดีนี่พูดบ่อยนะฮัลลลฮารอมฮัลลลฮารอมความสํานึกของมุสลิมเนี่ยฮัลลัลฮารอมนี่นะจะต้องมาจากพระเจ้าเพียงเดียวโดยสํานึกสามันสํานึก ไม่มีใครจะมาห้ามจะมาจะมาใช้จะอะไรเนี่ยนอกจาก AH. อาัลลออ้าพ่อแม่ผู้กครองผู้หลักผู้ใหญ่คนสำคัญเนี่ยเจ้านายอย่างเงี้ยเขาจะใช้จะห้ามไม่ได้ได้ได้เลยทุกคนนี่ใช้ละแต่อย่าให้เขาเนี่ยใช้หรือห้ามอะไรที่มันขัดกับข้อใช้และก็ข้อห้ามของศาสนาละกัน ถ้าอุศิมเชื่อแบบนี้นี่นะชีวิตของเขานี่ระเบือหลักศรัทธาหลักเชื่อฟังทั้นเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังมนุษย์นี่นะมันเข้าหากันได้ปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อคนอื่นนี่มามาใช้มาห้ามอะไรที่มันขัดกับข้อใช้ข้อห้ามของศาสนาผู้ใยญ่สุบุรี บอกลูกบอกเด็กว่าไปซื้อบุหรี่ให้หน่อยเด็กที่คํานึงถึงหลักฮาลาลละฮารอมเนี่ยบอกว่าปา๋าทํายังไงดีอ่ะป๋าช่วยบอกหน่อยถ้าไปซื้อบุหรี่ให้ป๋านี่นะฉันกตันยูต่อพ่อแม่ตามที่อัลลอฮ์สั่งแต่ในขณะเดียวกันได้ฝ่าฝืนคําสั่งของพระเจ้าแต่ถ้าไม่ไปซื้อบุหรี่ให้ ฉันจะฝ่าฝืนพ่อแม่แต่ถือว่าเชื่อฟังลอร์รสูนป่าช่วยบอกหนยให้ทำยังไงที่จริงแล้วตอนที่เราเป็นเด็กแล้วก็มีผู้ใหญ่มาสั่งให้ไปสือบุหรให้นี่เราไม่มีคือเราไม่มีไม่มีปัญญาแล้วก็ไม่มีความสามารถหรือวิชาการตะกะขนาดนี้ที่จะมามาเถียงกับผู้ใหญ่คือที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้อง ซื้อบุรี่ครับแล้วแปลกนะผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่จะไม่บอกลูกที่โตแล้ว่นะเแบบหนุ่มแล้วอย่างเงี้ยโตแล้วอ่ะเขาจะไม่บอกทําไมกลัวกลัวไอ้วัรุ่นนี่มันชอบเถียงอะ่ะไอ้ที่โตแล้วเนี่นะ่ะตัวดีนี่ชอบเถียงส่วนมากนี่จะให้ใครไปซื้อเด็ก <c oughs> เล็กๆทําไมเด็กเล็กๆเนี่ย อ่าไปซื้อขนมไม่ป่านี่นะแล้วก็นึกปากซีบุหรี่เด็ <c oughs> <c oughs> กตัวเล็กน่จะไม่ไม่เอาอ่ะมีขนมมาด้วยไงที่จริงเยเด็กนี่น่าสงสารเด็กนี่ไม่สามารถที่จะกําหนดบริบทชีวิตของเขาระหว่างเรื่องฮาราลฮารอมเนี่ยพอโตแล้วเนี่ยเขาจะสับสนเนไงเวลาไปเจอครูสอนศาสนาเนี่บอกเข า, าบุรี่ฮารอมแต่เขาเห็นที่บ้านเขาพ่อแม่เขาสั่งหรือทําสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันก็เกิดความสับสนและส่วนมากความสับสนในเรื่องข้อใช้ข้อห้ามในหลักการศาสนานี่มักจะเกิดจากสิ่งวตลตะเลอะสิ่งวตลตะเลอะบางเรื่องนี้ทำไม่ได้เอา้าหรอนึกว่าทำได้ทำไมอะเห็นเขาทากันแ <c oughs> สดงว่าเราเสพความเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะฮาลาจะฮาเลาะหรืหอฮาามีเสบมาจากไหนอะจากจากคนอื่นนะคนอื่น ขนอื่นเขาไม่ได้สอนนะเขาไม่ได้บอกว่าทําหรือไม่ทํานะไม่เราเห็นเขาทํากันเราเห็นเขาทํากันเราเห็นเขาไม่ทํากันมัสยิดฮานาฟีนี่เข้ามาัสยิดช่วงเวลาละหมาดมกรุอย่างเช่นช่วงก่อนมกริปียงเนี้ยเข้ามาัสยิดแเจรมาสแต่ให้โดนมัสยิดเนี่ยไม่ได้เขาเข้าแล้วนั่งเลยทําไมอะมัสยิดฮานาฟีนี่ ละหมาดซุนนะใดใดในช่วงเวลามกรุนนี่นะไม่ได้เลยนั่งเลยห้ามห้ามละหมาดก็มกรุนตะฮริมมันมีข้อห้ามไม่ให้ละหมาดช่วงนั้นถึงไม่ได้เป็นข้อห้ามในคุรอ่านแตเป็นข้อห้ามในฮะดิษ ثلاثأوقاتنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنصليه ف ن ن, ن ق ب ر في ه فيهن م و ت ا ن ا ัมว่า นบีห้าไม่ให้นามาตยแล้วก็ไม่ให้สังมรยิสในในสามเวลานี้เขาก็นี่ไงนายบีบอกว่านาห้านานบีห้ามเพราะมาสพานีก็เลยห้ามเพราะจะนั้นคนที่เติบโตในสังคมที่ถือว่าสภานวีเนี่ยสังเกตได้เลยเวลาเขาเข้าเวลาเขาเข้ามาสิ้นช่วงเวลามากนี่นเขาไม่ละมาตแต่ให้ดูมั่งซก็ไม่ละมาต์ไม่ละมาตสิ้นแต่ในมาสพบชาวีนี้ เารียกซาลามุสบบะเป็นการละหมาดที่มีเหตุผลมีสาเหตุหมายถึงว่ามีข้อใช้มาแย้งกับข้อห้ามจึงให้ข้อใช้กับข้อห้ามเนี่ยมันเข้าหากันได้แล้วก็เข้าในช่วงเวลาเวลาที่นาบีห้ามละหมาดเนี่ยยกเว้นถ้ามีข้อใช้ให้ละหมาดนายบีบอกว่าเข้ามสซิดนี่ยจอย่านั่งจนกว่าจะละหมาดสรกาศซาวิโยอะเข้าถึงแม้ว่าจะเป็นเวลามะกรุนนี่นะละหมาดจะยังมาิดได้ ไม่ไม่ใช่วาจิบละหมาดนะกาละหมาดได้คนนี่เติบโตในสังคมมัสชาฟีนี่อ้าวเข้ามัสยิดนี่ก็เขาเรียกเขาเรียกละหมาดอะไรนะไม่ชาบ้านเขาเรียกอะไรเขารบมัสยิดเขาทับศัตเีแต่ฮิยะเขารบไงฮิยะทักไทยเขารบมัสยิดเขารบมัสยิด มันก็ยิ่งเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยเข้ามัสยิดแล้วไม่เคารพบ่คนก็จะมันมันอย่างเงี้ยเข้ามัสยิดแล้วนั่งเฉยๆแสดงว่าไม่เคารพมัสยิดแต่เราไม่ได้มารวมเรื่องฮาลาลฮาราวอยู่ไม่ได้มานุเรื่องที่มันมีความขัดแย้งหรือมีความซับซ้อนอะไรแบบเนี้ยที่จะต้อง มีการศึกษาพิเศษมีความรู้ที่ที่หนักแน่นหน่อยนะว่าเราพูดถึงฮาลาลฮารอมนี่ที่คนทั่วไปนี่สามารถรู้มันอยู่ในระดับหรือในขั้นตอนที่อลมาเขาเรียกว่าอัลมาลูมูมินัดดีนนดดูรเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักต้องเข้าใจโดยปริยายคนทั่วไปในในสังคมุสมีมัต้องรู้กันเช่น จีน่าเนี่ยฮารอมดื่มเหล้าเนี่ยฮรอมโกหกเนี่ยฮารอมเคยไหมได้ยินใครสอนว่าโกหกเนี่ยดีฮัลแลลทำไปเถอะไม่มีแม้กระทั่งแม้กระทนั่งคนนี่ไม่ใช่มุสลิมหรือคนนี่เข้าไม่เคร่งครัดแต่นะเขายังสอนลูกหลานเขาสอ น, น, นวบางคนอย่าโกหกนะถ้าคนไม่มีศาสนาหน่อยเนี่ยหรือ พยายามที่จะอ้างอิงศาสนาหน่อยเนี่ยก็ว่ลูกอย่ากหกนะโกหคนก็หกนเดี๋ยไปนรกนะมันเป็นคดีส่วนรุนเลยเนี่ยที่เราสอนลูกหลานเนี่ยอย่าโกกโกหกคนนี้โกหกนี่เข้านรกแต่มีสอนแบบนี้จริงเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยเรียกว่าฮาราลฮารอมที่เราไม่ต้องไม่ต้องมาโต้เถียงมาขัดแย้งกันบางทีมาขัดแย้งกันในเรื่องวิธีการแต่ตัวการกระทําเนี่ยเราไม่ขัดแย้งกันเลย เรื่องดอกเบี้ยไม่มีใครขัดแยง้งเยไม่มีใครสามารถขัดแย้งว่ารีบาหรือดอกเบี้ยนี่มันฮาร์โแต่วิธีการที่จะให้มันเป็นดอกเบี้ยหรือไม่เป็นดอกเบี้ยนี่เราอาจจะมีรายละเอียดซับซ้อนระหว่างเรื่องนี้เนี่ยเราจะไม่ให้คนทั่วไปเนี่ยแบกภาระรับรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเขาจะต้องรู้รายละเอียดของ รายละเอียดของอะไรที่เป็นดอกเบีย้ยไม่ได้เป็นดอกเบีย้ยบางทีนี่คนสวนมากเขาไม่รู้หรอกเออธนาคารเนี่ยธนาคารอิสลามไอ้แบงก์อย่างเงี้ยผูหลักผู้ใหญ่เขาเปิดให้เอานักวิชาการศาสนานีมาเป็นบอ่อเรียร์ให้ว่า น, นี่ธุรกรรมอิสลามนี่ธนาคารอิสลามสากลาอิสลามนี่ยเปิดสากลอิสลามธรก า, ารมอิสลามชาวบ้านชาวบ้านที่ไม่รู้นี่เราไม่สามารถ ไปโทษเขาบอกว่าเนี่ยธุรกรรมของไอแบงค์หรือธนาคารหรือสอซากอเนี่ยมันมีอะไรที่มันไม่ชัดเจนมั น, ม, นมันไม่ถูกต้องหรือบางทีมันก็ฮารอมอะนะมันฮารอมไม่ชัดนะจะไปเอาโทษชาวบ้านนี่ไม่ได้หรอกที่จะคุยต้องคุยนี่ก็คุยกับคนที่ก่อตั้งคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารอะไรนะคุยมันจะได้มีผลเราไม่พูดถึงเรื่องนี้ที่จะมีความรู้เฉพาะบางคน ให้แยกแยะระหว่างฮัลลาลฮารอมระหว่างอุลามะคนนี <OUR S 2> ja ้นั่งคุยกันนี้อันนี้ชัดอันนี้ไม่ชัดอันนี้มีหลักฐานนี่มันแย่งกันมาคุยกันในวงของอุลามะไม่เราพูดถึงฮัลลาลเราทั่วไปทุกคนเนี่ยต้องรู้ต้องมั่นคงว่าฮัลลาลฮารอมต้องมาจากศาสนาในสังคมเรานี่ที่สอนลูกหลานเนี่ยไม่กินหมูเนี่ยมาจากไหนอ่ะมาจากประเพณีบรรพบุรุษ อ๋อแขกไม่กินหมูงี้ย น, นะถ้าใครได้ยังเข้าใจแบบนั้นเน่ยนะเขาจะไม่มีผลบุญเลยเราจะเห็นในบางที่ที่เดิมเนี่ยปุยยะได้เขาเป็นมุสลิมเดิมมานเะป็นแต่อิสลามนี่ไม่เหลือเลยจนกระทั่งอันนี้เกิดขึ้นจริงในบ้านเรานะหมู่บ้านบางที่ในบางจังหวัดนะ่ะที่แบะจังๆหน่อยในะมุสลิมลืมไปละมัน ถึงขั้นทีน่ในบ้านในบ้านนี่มีหิ่งมีจวิดห้อ ย, น, น, อยนู่นห้อยนั่นนะนะบางทีนี่ก็อาจจะคําคําว่าอัสลามันก็ยังพอยังพอจําได้ไม่กินหมูไอ้ที่ไม่กินหมูนี่เขาไม่รู้เลยนะว่าว่าว่าในหลักการกุร์อานว่ากุร์อานไม่มีแล้วหายไปแล้วกุร์อานคําสอนของศาสนานี้มันหายไปแล้ว เพราะฉะนั้นจะเทียบไม่นนได้เลยแม้เขาไม่กินหมูแต่เขาทำชริกเล้ามันไม่มีผลนะ่ะแต่เรากำลังพูด ถ, ถึงมุสลิมที่กำลังเข้าใจในในที่กลับของเขาในด้านข้อใช้และก็ข้อห้ามเราต้องตระหนักในใจเรานี่ไม่มีใครที่จะมามาใช้มาห้ามในอกจากองค์ลอส่วนคน ตื่นจกอัลลอฮ์นอี่ที่เป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเจ้านายเป็นผู้ใหญ่เป็นอาจารย์ของเราเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นอยไรก็ตามเขาจะมาใช้จะมาสั่งจะมาห้ามจะมาปราบจะมากำหนดจะมีระเบียบจะมีอะไรก็ตามเอายินดีให้ความร่มสำรมุสลิมมานะยินดีให้ความร่มในเมื่อใจของเขานี่นะการเชื่อฟังมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ที่สุด ไม่ใช่ที่สุดของการเชื่อฟัง ท, ท, ที่เชื่อฟังนี่นะเพราะมันไม่ได้ขัดกับหลักการของพระเจ้าของฉันต่างหากนั่นนี่เราใช้ชีวิตของเราได้ดำเนินชีวิตของเราได้และทุกพื้นที่ที่มุสลิมจะมเชิญหน้ากับปัญหาที่การเชื่อฟังอัลล้อมกับการเชื่อฟังมนุษย์นี่มันจะขัดกันอยู่กันไม่ได้นะมันก็ต้องดูว่าแต่และประเด็นที่ จะเชื่อฟังอัลลอ์หรือเชื่อฟังมนุษย์เนี่ยมันจะมีความร้ายแรงเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพราะบางเรื่องเนี่ยพอศาสนานี่พอที่จะอนุโลมได้ไปที่ว่าอนุโลมให้มุสลิมเนี่ยปรับตัวได้เรื่องที่มันไม่กระทบอากีด้าไม่เกิด ไ, ไม่ทำให้เกิดต้องทำบับใหญ่ต้องต้องมีปัญหาระระดับโครงสร้างโครงสร้างสังคมอย่างเช่นอย่างเช่นเขา ทำจีนากันว่าเล่นถ้าใครไม่ทำดีนาก็จะถูกตำหนิเขาต้องต้องรับสินบนถ้าไม่รับสินบนนี่ก็อยู่ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยอันนี้เราต้องหาที่ละท่าในพื้นที่นั้นแม่ น, นอ่อฮารอมนี่มันเป็นวิถีมันเป็นเรื่องที่เราจะสวนทางไม่ได้ แล้วก็หรือถ้าถ้าทำแล้วนี่นก็เท่ากับเราเข้าไปในวิถีวิถีของเขาและชีวิตของของวิถีชีวิตก็จะกลายเป็นวิถีของเขาแบบนี้มีมุสลิมต้องฮิจโร่เคยอธิบาหเรื่องฮิจโร่ฮิจโร่นี่มีหลายระดับนะเราท่องถิ่นฮิจโร่สถานที่ฮิจโร่พื้นที่ฮิจโร่จากตาแหน่งนี้ไปตําแหน่งอื่นจากตาแหน่งผู้กํากับเป็นรองผู้กํากับ จากตำแหน่งอตะเวนปรับร้านขายเล่าเป็นตำแหน่งจ ร, จราจรขอขอฮิจโรจากตรงนี้มาตรงนี้เลยมะนายไม่พะอันนี้เนี่ยมันต้องยุ่งกับเรื่องที่มันไม่ถูกต้องฮิจโรจากสถานที่สถานที่เนโอ้โหเต็มไปหมดเลยเราเกะ ก, กัญชาเนี่ยเต็มไปหมดเลย ลูกฉันจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้ได้ไม่ได้หิจรสสถานที่บางทีไม่ต้องฮิจโระประเทศหรอกเนี่ยฮิจรสจากเขตนี้ไปเขตนี้จากซอยนี้ไปไปซอยนู้นมันเบากว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไปไหนไม่ได้แล้วฮิจโระต่างประเทศก็ไม่ได้ฮิจรสในประเทศก็ไม่ได้ทําไมอ่ะฮารอมนี่มันเต็มไปหมดเขาจะมีวิธีฮิจโระนอสซียะคือ จิตใจของเราเนี่ยจะต้องดำรงซึ่งฮิจโรคือละเว้นบาปที่มันอยู่ที่ไหนเท่าที่ละเว้นได้เศษคุตบุญเขาเขาเรียกว่าอซลการแยกแยกตัวด้วยความสํานึกด้วยความรู้สึกคือบางทีเนี่ยจะแยกตัวห่างออกเลยก็ไม่ได้ อยู่ในที่ชุมนุมที่ประชมุมเขานินทากันเขาว่าคนรู้บุคคลที่สามว่าตามหลักการศาสนานี่ยเขานินทานี่าเราต้อ ง, เ ร, องเราต้องห้ามเขานะทําไม่ได้นะบาป น, นะใช่ไหมหรือถ้าห้ามเขาไม่ได้นี่ยเขลุกขึ้นถ้าอีสองทางเรื่องนินทําไม่ได้เลยถ้าเราห้ามเขาเนะี่ยมีมีอนุญา อะไรในชีวิตเรานี่จบไปหลายอย่างไปบอกไปว่าเจ้านายเขากำลังนินทาคนอื่นแต่ไปว่าเจ้านายเนี่ยนะจบแล้วลุกขึ้นนะยนะโดนหมายหัวเลยลุกขึ้นทําไมอะไรทํำยังไงอุลัยมาเขาก็มีข้อเสนอหิจราชูรุริยานินักซียานิคือก็อยู่กับเขานี่แหละแต่อยู่เหมือนไม่อยู่ อยู่เหมือนไม่อยู่เข า, เานินทาไม่รู้เขาหนินทาไมรา้ก็สิเกตของเราไป้เขาจะว่าอะไรก็เป็นเรื่องเขา <c oughs> ดํารงข้อห้ามข้อใช้นี่มันได้เสมอแหละมันได้เสมอ <c oughs> แล้วลูกสุภาพเนื้อหัวตาอะไรได้ยกย่องบุคคลที่จะต้องดํารงชีวิต อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่บริบทฮลเลาละฮารอมเนี่ยมันถูกบริหารตามคำสอนของพระเจ้านี้ไม่ได้จึงต้องมีคือต้องมีปรับตัวหลายอย่างและในกุตรอันฮาริสเนยยกตัวอย่างในบริบทที่มันซับซ้อนที่สุดที่มีความลำบากมากที่สุดในการที่จะบริหาร เรื่องฮาลาลแะฮรอมฮาร์ฮร อ, อ, อนี่ไม่ทำหลีกเลี่ยงฮาลาลนี่ให้ทาแต่มันยากที่ทำแบบนี้บริบทของสังคมที่มีคนที่อ้างตัวเองเหมือนพระเจ้าใช้แล้วก็ห้าเหมือนพระเจ้าสังคมฟิราหรานี่เขาประกาศตัวเองว่าเป็นพระเจ้าแล้วก็ยังบังอาจบอกว่า ข้าเนี่ไม่รู้มีพระเจ้าอื่นนอกจากข้าเนี่มาลิมตุลกุมินอิละฮินเคยีสําหรับข้านี่นะไม่รู้จักมีพระเจ้าอื่นที่พวกเจ้าต้องสักการะอื่นจากฉันให้ดีแสดงว่าใครจะมาเอ่ยอัลลอฮ์นี้ไม่ได้เลยในคุรานยกตัวอย่างภรรยาฟิราหและในฮะดีษของอิสลามยกตัวอย่าง มาชื ط ط ك ك ่อตัวฟิราลก็คือสตรีที่เป็นผู้รับใช้หวีผมให้ลูกสาวหรือครอบครัวของฟิราลในคุฎอ่านเราพูดถึงพารยาฟิราลที่เลี้ยงทั้นนบีมูซาบางรายงานในสุนทรภู่ก็ชี้แอาเซียแอาเซีย อาเซียนเป็นผู them, them, them, Russians, بن, ้ศรัทธาที่จริงในสังคมฟิราเอวนี่ยสังคมมิหยดที่ที่ยึดฟิลาเนี่เป็นพระเจ้านมีหลายตัวอย่างหรือมีตัวอย่างในคุรันพูดถึงในสุระซูมาร์อกอฟิลเนี่ยมุมินอาเลฟรามก็คือคนในบริวารในตระกูลของฟิลาศรัทธาในนบีมุซาตับปกปิดย่ากู้มูอีมานะฮะปรากฏว่าภรรยาฟิลาเอวนี่ก็ปกปิด เลี้ยงมูซามาจนศรัทธาในท่านนบีมูซาท่านนบีมูซามาท้าทายฟิรา์ในเรื่องมรดิจาตที่พิสูจน์ว่าว่าวาฟราอ์นี่ไม่ใช่พระเจ้าพระ้านี่คืออัลล์ภรรยาฟิรานี่ก็ดูดูนี่ในที่กุณอ่านได้อธิบายฉากเนี้ยแน่นอนภรรยาฟิรต้องรู้สิแต่ไม่ได้เอ่ยถึงเลยแสดงว่านางน่าจะปกติ ปกปิดศรัทธาของแต่ในดุอาของของภรรยาฟิราวนี่นะเราได้ได้ปกป้องรักษาดุอาของนางมาเล่าให้เราฟังถึงเป็นภรรยาฟิราวนีนะก็ไม่สามารถทำไม่สามารถที่จะขออย่ากับฟิราว์คงจะมีอะไรสักอย่างถ้าจะประกาศศรัทธากับมูซานี่ก็อาจจะประหารชีวิตก็ได้ใน ฉากที่มูซาต้องยืนท้าทายพี่เรานี่นะในฉากนั้นเนี่ยไม่มีภรรยาพี่เรานี่มาปกป้องมูซาแล้วบอกว่าฉันศรัทธาเราบอกว่าพวกศศาสตร์นักศษาสตร์นี่เขาศรัทธาใช่ไหมแต่ภรรยาพี่เราไม่ไม่ได้พูถึงจะคงคงไม่กล้าที่จะแสดงออกแต่ดูอาของนางรับบิบิเนลีอนดเกเบตันฟิลเจนนะดูอาตลอดเวลา รับบิบนีลี้ยงแต่ก็อ๋อ a l l a ขอให้ฉันมีมีใก่้พระองค์ท่านซึ่งบ้านในสวนสวรรค์วันทีนีมิมฟีราหนวามาลีและขอให้ฉันพ้นปลอดภัยจากฟีเราและการกระทาของฝีเราแส ด, วดงว่านั่นก็ขอดุทธรอดให้ให้หลุดพน้นจ้ะซึ่งในกุฎาไม่ได้ไม่ไดบอกนะว่าสรุปแล้ว ชะตากรรมของภรรยาของเราในอาเซียนนี่เป็นยังไงแต่อัลลอฮ์ได้ระบุว่าชะตากรรมของนางในวันเกียร์มาเน้นะอัลลอฮ์ปกป้องรักษาซึ่งเป็นไปได้ว่าภรรยาของเราเนี่ยในบริบทนี้เนี่ยที่ไม่สามารถบริหารเรื่องฮาราลและฮารอมเนี่ยร้อยเปอร์ซ็นอัลลอฮ์บอกว่ามันไปชีวคตในวันเกียร์มาน้นก็จะเป็นชาวสวรรค์และในโลกนี้เนี่ยท่านมัลีย่กย่องว่า ภรรยาของเราเนี่ยหนึ่งในสตรีที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์หมายถึงว่าด้านอ إ ม م ا ن ด้านสติปัญญาอีกคนหนึ่งก็คือผู้ที่หวีผมใหก้ก็คือพวกอพนักงานเสริมสวยของลูกสาวของเรากำลังหวีผมให้หวีนี่มันก็ตกคนเราเนี่ยเวลาอะไรตกนี่เราจะวง่งไงนะตกล่ะ เขาเขาไม่ได้พูดนะเขาแต่เขาเอ่ยอ uh, <We> ัลลอฮ์มาเนี่ยเอ่ยอ <stories> <that market market> ัลลอฮ์ใครอ่ะอัลลอฮ์ลูกสาวเรื่อใครอ่ะอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่เป็นพระเจ้าของฉันออเอ็งมีพระเจ้าอื่นจะตตาล่ะอันนี้ผมผมแต่งเรื่องให้มันเข้ากับเอ็งมีมีพระเจ้าอื่นจะตาชั้นเหรอ มันจะได้ดูดูนี่หน่อยใช่สิพระเจ้าของชันเนี่ยคืออัลลอฮ์ทเล่าเรื่องเลยไอ้หมอนี่ก็เลยไปไปฟ้องป่า <c oughs> ไปฟ้องป่าเฟราหเนี่ยก็เลยสั่งสั่งทรมานและประหารชีวิตกว่าจะถึงจุดนั้นน่ น, นะแน่นอนตอนที่นางอยู่ในวังของเฟราห์เนี่ย คงเห็นอะพี่เรากำลังดื่มเหล้าหรือบริวารของพี่เรานี่กกำลังทาอะไรตอนนี้อะไรใช่ไหมยังไม่ได้แสดงอยังหรืยังไม่สามารถแสดงตอนนั้นนะ่ะคงงงแล้วละ่ะคือมันมันสุดสุดแล้วว่าแค่จะเอ่ยอัลลอฮ์นี่ยังจะไม่ได้อ่ะแล้วยังบังอาจยังบังอาจที่บกงคนเอ้ยมีพระเจ้าอื่นจะดตาฉันนะมันเหมือนไส้ไหม ไม่งั้นอย่างนั้ น, น, นประกาศเลยมันงมลนแล้ว่ยสุดๆแล้วบริบทชีวิตของเราเี่มันก็อาจจะมีอะไรอะไรแบบนี้สิ่งที่จะปกป้องไม่ให้เราอยู่ในสายตาของอัลลอฮ์ในฐานะที่ผู้ที่ถูกกิ้วฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไม่ปกป้องคำสอนของอัลลอฮ์ Allah, นี่คือเรื่องเดียว ให้จิตใจของเราให้ความสํานึกของเราจุดยืนอุดมการของเราเนี่ยว่าเอาเรารู้ว่าเราเชื่อฟังพระองค์อย่างเดียวสิ่งที่ทําให้เราไม่สามารถประกาศจุดยืนชัดเจนก็คืออันตรายต่างๆ <c oughs> ที่อาจขึ้นกับชีวิตของเราหรือกับคนใกล้ตัวเราที่แ ส, สนา สอนอยู่แล้วว่าพยายามปกป้องสิ่งเหล่ปกป้องชีวิตของเราปกป้องฉะนั้นแม้กระทั่งเรื่องที่มันอาจจะเป็นการล่วงเกินเบื้องสูงคือพระเจ้าเนี่ยเราก็อนุญาตถ้ามันถึงจะต้องแลกกับชีวิตของเราอะนะสมัยนบีตอนสหาร์ถูกทรมานดา่นานบีมุฮัมม uh ัดด่าพระเจ้าดา่าอิสลามแล้วจะไ ม, ไ ม, ม่ไม่ทรมานไม่ทำร้าย สหายบ้าก็มาบอกกับท่านนบีสุลต่านละอิสลามวันนี้นบีก็เลอันนี้บอกว่าถ้าถึงขั้นที่เขาเขาซ้อมทรมานแบบนี้แล้วเราทนไม่ไหวเนี่ยด่าฉันได้นะด่าอิสลามได้นะอัลลอฮ์จึงบอกไว้สันะอิลามันอุครฮะ و ق ل ب ه م ن ج ف ر ب ا ل ل ه ب ع د إ ي م ا ن ه إ ل ا م ن أ ك ر ه و ق ل ب ه م ط م ئ ن ب ا ل إ ي م ا ن บุคคลที่ได้ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่รู้นี่ว่าความศรัทธานี่มันเป็นอะไรนะยกเว้นคนที่ถูกบังคับอุกิษฮะโดยที่หัวใจของเขากลับบูฮัวใจของเขานี่มุตม์มาอินนุนบิล إ ي น ม, มีความสนิทมีความสนิทมีความมั่นคงกับอิมานอยู่แล้วแต่ร่างกายอาจจะถูกบังคับทำอะไรลินไห้ว่าพูดมีวาจาอะไรที่ไม่พึงประสงค์เนี่ย แล้วเรไม่เอาโทษว่าล و กินสิ่งที่เราไม่เอาโทษเนี่ยมันชร ح ะ بالكفر صدره คนดีทรงอกของเขาหัวใจของเขาเนี่ยสดชื่นกับกุ佛รวมถึงเรื่องบาปต่างๆถาบาปโดยถูกบังคับเนี่ย ja ถ้าไม่ทําเนี่ยเราจะลําบากจะเดือดร้อน มีความเจ็บปวดเจ็บแสบมากกว่าถ้าเราถ้าเราทำแบบเนี้ยโดยที่หัวใจของเราเนี่ยรังเกียจบาปไม่ชอบบาปเรานี่แต่เราทำด้วยความจําเป็นนี่เป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะทําให้บาป ท, ที่เราทํานี่นะอลัลลอฮฺไม่เอาโทษแต่ถ้าทําและจิตใจของเราเนี่ยมีความสดชื่นกับการทําบาปนันนั้ น, น, น, น, นจะเป็นปนัญหา คณ น, นอุลมะเขาบอกว่าอะไรที่ศาสนานี่อนุญาตให้ทำด้วยความจำเป็นทำให้พ้มขีดจำเป็นหิวไม่มีอะไรจะกินนอกจากเนื้อหมูถ้าไม่กินอาจจะอดตายนะอาจจะถึงถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตก็ได้นะเขากิน กินสิ่งที่ห aram กินสิ่งที่ฮ aram กินสักชิ้นสองชิ้นสามชิ้นให้พ้นขี่จําเป็นแต่ไม่ได้ไปกินหมูหันไปเลยเนี่ยหมูหันมันตัวก็ต้องระวังแล้วเ่ยเอาทังเอาออเวลาไม่ยกไปอย่างว่ากลังกินแล้วก็แล้วก็คํามันติดติดคอคําติดคอนี่ หายใจไม่ได้แลยนะอาจจะตายเนะไม่มีน้ําเนี่ยจะดื่มนะ้ำมีแต่เหล้าดื่มเขาบอกว่าโอ้โหดื่มได้นะจะได้พ้นเนะ่ะชีวิตจะตายเนะี่ยจะได้พ้นเนะี่ยดื่มแต่ไม่ชีดดื่มแทนที่จะดื่มไม่ไอ้ไหนไหนีหน่นนนอเมซงรู้ไงหัวใจของเรานี่ ที่เปิดยังที่ยวล้นนอมอกอย่างทะลุปุปองเนยนะว่าหัวใจของเรานี่สดชื่นกับการทำบาปหรือรัองเกียจจริงๆเพราะฉะนั้นในการที่จะบริหารชีวิตของเราให้ทำสิ่งที่ฮาเลลเลี่ยงจากสิ่งที่ฮรอมนี่ จิตใจของเราเนี่ยจะเป็นเข็มทิตสำหรับศรัทธาชนทั่วไปนี่เป็นเรื่องปกติไงโดยเฉพาะคำว่าฮาลาลฮารอมเ ป, เป็นเรื่องที่ไม่ต้องมันไม่ซับซ้อนแต่บางอย่างเนี่เราต้องเราต้องจำแนกนิดหนึ่งเพราะถ้าเราเผลอไปไปเชื่อตามกระแสมันอาจจะทำให้ มีการปะปนระหว่างฮาลาลที่มนุษย์บอกว่าฮาลาลนะกับฮาลาลที่พระเจ้าบอกว่าฮาลาลฮะรอมที่พระเจ้าบอกว่าฮะรอมกับฮะรอมที่พระเจ้าบอกว่าฮะรอมมนุษย์กับพระเจ้าบอกว่าฮะรอมบางทีจําแนกไม่ได้ยึดตัวอย่างอาหารนี่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยสำหรับคนเรานี่นะในในเมืองไทยหรือในมาเลเซียหรือที่ไหนเนี่ยอะไรที่ไม่มีต่ฮาลาลเนี่ย เราไม่กินเอ๊ะไม่มีด้ฮัลล์ไม่กินไม่มีด้ฮัลล์เนี่ยไม่ได้หมายรู้ว่ามันฮ ARAM เสมอฉะนั้นเราต้องระวังดิถ้ามีสินค้าอะไรอาหารอะไรไม่มีฮัลลมันไม่ได้มารู้เราจะสามารถชี้ว่าฮาร a มและกินไม่ได้นะ หรือว่าเราเห็นพี่น้องของเราเนี่อาจจะหลวมตัวหล ว, หลวมหลวมตัวนิดนึงหมายถึงว่าเรื่องตาหาราเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเข่งใช่ไหมไหนตรงนี้ไม่กินแต่เราก็บอกว่าเขาไม่ได้เขากินอาหารที่ไม่มีตาหาราต้องพูดตามนี้แต่ใจบอกว่านี่ดูดิกินของอารอมซึ่งบางทีเรื่องนี้เราก็หลวมตัวเพราะพี่น้องไปกินอะไรที่ไม่มี แต่ฮาลาลนี่ดูดิมั น, ม, น, ม, นมันมันมักง่ายกินของฮารอมพอไปถามกินหมูเหรออ๋อไม่ใช่กินบะหมี่ถึงสาเร็จที่ไม่มีฮาลาลไม่ใช่นะเชกมันรดหมูหูสัต์นะถึงจะเป็นรดอะไรก็ตามถ้ามันไม่มีฮาลาลนะไม่ดีมายถว่ามันจะฮารอมร้อเปอร์็ตไม่ได้เราพูดแบบนี้ไม่ได้มันบอกกับที่อัลลอฮฺบอกว่าคนอาระไรตุมาอันซาลลอห์เล็กุมมิริสกิน จงกล่าวเถอดพวกมุฮัมมัดพวกท่านเห็นแล้วมิใช่หรือซึ่งเครื่องยังชีพที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่พวกท่านแล้วพวกท่านก็ทำให้บางส่วนเป็นที่ต้องห้ามฮารอมแล้วบางส่วนเป็นที่อนุมัติคือฮาลาลเราจะไปใช้คาว่าฮาลาลและฮารอมกับบางสิ่งบางอย่างเนี่ย โดยที่ไม่ไม่ไม่มีไม่ไมมไมค่อนข้างไม่ละเอียดไม่ละเอียดเท่าที่ควรโดยเฉพาะถ้ามันมีตัวบทอื่นๆมารองรับมันนีออย่างเยกตัวอย่างพวกเราเดินตลาดสดบ้างไหมหรือเดินห้างอย่างเดียว <S 2> <S 2> <ม>ตลาดสดนีบแม่ค้าบางคนเนี่ยจะจะจะขายไข่เต้าหู้ เต้าหู้นี่ไม่มีอะไรเต้าหูไม่มีอะไรนะที่ไม่ใช่มุสลิมทำเต้าหู้นี่ก็รือบางทีเราก็เรื่องความสะอาดเท่านั้นนะแต่โดยส่วนประกอบนี่ไม่มีอะไรไม่ต้องเต้าหู้เต้า้คะบางคนนี่ไข่ผักไกล้ผักนี่ก็ไข่เนื้อหมูใช่ไหมผักนะัห า, าหรือฮารุมฮัาลล แต่ขายข้างหมูเนี่ยมันก็มีโอกาสเวลาจับขายหมูนี่นะเอา้าใส่ซับซับซับใส่ถุงฮะพอเสร็จแล้วยกัก็เอาม <c oughs> าการที่เขาปนเนี่ ย, นยนเนี่ยมีปนใช้ปนนี่นะมันจะไม่ทำให้ผักเนี่ยมันฮารอมนะแต่จะเราเรียกว่าผักเนี่ยมันไม่จะ่ฮารอมแต่มันสก ป, ปรกมันนื้อสัตวาไปแต่จะไม่ได้ฮารอมไม่ได้ห้ามกินผักนี้ไม่ได้ได้ยังกินได้นะ เอาไปล้างในมศัศชวีจะเอาไปล้างถ้าถือว่าหมูนี่เหมือนเหมือนสุนักนี่นะล้างด้วยดินเจ็ดครั้งนี่นะดินครั้งหนึ่งแล้วก็ น, น้ำอีกอันนี้ในมศัศฉวีมับอื่นนี่ไม่ล้างธรรมดาถ้าหมูนี่ล้างธรรมดาไม่เหมือนไม่เหมือนสุนักผักไปล้างนี่กินได้ละมีบ้างเราก็กินกันหรอแต่นี่คือหลักการจริงๆนี่คือหลักการศาสนาจริงๆถ้าเราไป ไปวระเกินไปคิ่งเกินแล้วเกิดไปบอกว่านี่มันคารมนะอันนี้อันนี้ความเข้าใจของเราละคือเราไปเข้าใจเองว่ามันคารมแต่ศาสนาไม่ได้บอกว่ามันคาร์ก็เหมือนกันนี้แหละพวกเจ้านี่ไปเรียกอันนี้ฮาลาวิ่อันนี้คาม ร, นนรามเนี่ยทั้งนี้เลาไม่ได้บอกนี่เป็นการสร้างความลําบากหรืออุปโลกอุปโลกฮุกมอุปโลกบทบัญญัติอุปโลกสถานะ ปัจจัยอย่างชีพบางอย่างบางอย่างเนี่ยว่ามันกินได้หรือกินไม่ได้เนี่ยพวกเจ้าเป็นคนกาหนดเองนะไม่ใ่ไอัลลอฮ์นะอุลอาลลอห์อัลกนะละคุมอัลลอฮ์มโกุจงกล่าวเถิดโอ้โมฮัมมัดอัลลอฮ์ทรงอนุญาตให้แก่พวกท่านหรือพวกท่านปั้นแต่งให้แก่อัลล์หมายถึงว่าปั้นเรื่องว่ามันฮลาลหรือฮรเนี่ยลก็แอบอ้างอัลล์ คือเราเราไม่ได้พูดว่าอัลลอฮ์บอกรับศรบอกแต่เราบอกว่าฮัลลาลฮะรคำคาว่าฮัลลาลฮะรมนี่นะมันมันมีตราอยู่แล้วของศาสนาของข้อใช้ข้อห้ามของพระเจา้าแต่ถ้าเราพูดว่าเฮ้ย hey, กินไม่ได้อ้สูตรดอผักที่ปนกับหมูอย่างเงี้ยเฮ้ย hey, กินไม่ได้มันก็ได้ใช้ใช้คําสากลนนะ่ะเฮ้ยกินไม่ได้เฮ้ย อ, อย่ากินอะไรเงี้ยมันก็ได้แต่ถ้าจะมาใช้คําว่าฮัลลาล หร่หคารอมแบบนี้เนะี่ยะมันก็มันคล้ายๆเป็นบทบัญญัติแล้วไงแล้วบางคนอาจจะเข้าใจว่ามีตาฮาลาลแล้วนี่นะแสดงว่าฮาลาลร้อยปอร์ซ็อันนี้ก็ความเข้าใจคาดเคลื่อนเหมือนกันทําไมเพราะตาฮาลาลเนี่ยมันก็คือแบรนด์แบรนด์หนึ่งของมนุษย์มันไม่ใช่บทบัญญตัติเพราะฉะนั้นก็ เ, เคยเคยพบนะกรรมการอิสลับจังหวัดจังหวัดหนึ่งเคยบอกผมเนี่ย ไปตรวจเคยไปตรวจในห้างอะ่ะเลือดหมูมีตาฮาลาสแต่หมูอย่างเดียวเนี่ยมันก็อนนีเลือดหมูด้วยนะแล้วก็มีตาฮาลาไม่รู้เขาบอกว่าไม่รู้เขาแต่งตาฮาลาขึ้นมาหรือกรรมาการอิสลามในจังหวัดนั้นแต่ไม่น่าจะใช่อ่ะนะเขาไปให้โดยไม่รู้ไงว่าผลิตภัณฑ์มันคื อ, อนนี้เขาไปอาจจะเอาตัวอย่างที่มันไม่ที่มันถูกต้องกันะนะพอได้ตาฮาลาแล้วก็ไปปะปะเพราะ ไอแบนี่นะ่มันพิมพ์ได้เป็นแสนอันนะ่ะแล้วก็ไปแปะแป ะ, แปะเอ า, ากับมคอิสลามไม่เรื่องหรอกนี่เหมือนเอ k ซเคอะไปขอตาฮลัลปีหนึ่งแล้วเขานึกว่าขอปีหนึ่งน่ะนะจือคือจะฮาลาลถาวร อ, อะอมาตะเลยนะ <c oughs> ปีถัดไปเนี่ยไม่ยอมจ่ายค่าธรรมเนียม ทางกรรมาการการอิสลามนี่เขาก็ยึดนี่ยึดต่ฮะลาลี่วยวายเลยวยวายองอมไม่เอ า, อางั้นไม่เอาอย่างนั้นก็ไม่เอาเขานึกว่าเขาเน้นว่ามุสลิมมักง่ายไงแล้วองค์กรของมุสลิมนี่ก็มักง่ายไงทาแล้วติดตลาดแล้วติดตาชาวบ้านนะวะเขาเคยขอฮะลาลไปแล้วโอ้นี่สบายเลยซึ่งบางทีเนี่ยก็เข้าใจงั้นจริงอ๋อมีฮะลาลไม่ใช่เหรอปีเดียว ปีเดียวความเข้มแข็งของเราในการที่จะในการที่จะระมัดระวังในเรื่องนี้เนี่ยทำให้ตาฮาะันเนี่ยใช่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญแต่มันจะไม่ถึงความสำคัญของบทบัญญัติตาฮาลานนี่นะมันไม่ใช่กุานไม่ใช่ฮะดิษถ้า <c oughs> ผลิพันธ์อื่นไม่มีตาฮาลันแสดงว่าแสดงว่ากินไม่ได้ะ อาับเป็นยูทูบเบอร์มาเที่ยวเมืองไทยแล้วจะทำคอนเทนต์เขาบอกว่าโอ้นี่เมืองไทยนี่สุดยอดเลยเนะี่ยไถแลนนี่สุดยอดเลยอาหารฮาลาลเนี่ยเป็นเรื่องสะดวกมากทุกที่นี่นะมันจะมีต่ฮาลาสนี่ยนะแล้วก็คุณไปถามเจ้าหน้าที่เลยเนะี่ยเจ้าหน้าที่จะบอกเนี่ยอะไรที่ฮาลาลอะไรที่ไม่ฮาลาลแล้วเขาถ่ายตอนไปเข้าร้านสะดวกซื้อนี่นะ เขก็ไหนอะไหนอะน้ํา้ำอ่ะเขาก็เนี่ยน้เนี่ยอันนี้มีฮาลลกินได้เธอกินได้น้านี่ไม่มีฮาลัลเลยเธอกินไม่ได้โอข้อคากเขาก็ไม่เข้าใจบริบทของมักนฮ่ะเราะนี่ฮาลัลน้ํฮาลัลฮาลลไม่เขายงมีเลยนี่สุดยอดเลยมึงใจของเรานี่คงคน้ำเนี่ยเราก็ไม่เคยดูนักแอ่ฮาล น้ำเกลือข้าวอะไรแบบนี้นะถึงแม้ว่าเขาก็ขอฮาราล์กันนะนะแต่ถ้าเราจะสมมติว่าเจอข้าวยี่ห้อหนึ่งอ่ะ น, นะไม่มีฮาราลเนี่ยเรา ก, ก, ก็กินกินก็ยุ่งเลยนะเนี่ยเนี่ยาชาวบ้านนี่เขาติดสติ๊กเกอร์ฮาราลนี่พิมพ์เองทางองค์กรศาสนาเขาก็ไม่ติดใจถ้าไม่ไปเลีนแบบแ บ, บ, แบรนด์อะไรของเขาอแล้วถ้าไปพิมพ์เองเขียนฮาราลเองฟอนอะไรก็ได้ แล้วก็ไปติดเองในเมื่อผู้ประกอบการเป็นมุสลิมแล้วเราการันตีตัวเองแล้วคนนี้มาซื้อนี่รู้จักเราแล้วก็เชื่อใจเราเนี่ยเขาไม่ีปัญหาบางทีก็ไม่ต้องติดฮาลาลอาหารมุสลิมไม่มีฮาลาลแต่เป็นที่รู้กันว่าว่าเนี่ยเป็นานของมุสลิมเรารู้จักกันเป็นส่วนตัวหรือคนทั่วไปเขารู้กันแล้วการันตีกันเป็นที่รู้จักกันเห็นไหมเขาไม่ได้ขอครัวเขาก็ไม่ได้ขอฮาลาล อ่านเก็ม่ดีขอฮาลาลไปหรือพก็ไม่ไดีขอฮาลาลต่ก็กินกนอันนี้เป็นที่เข้าใจกันผลของการที่ให้บริบทชีวิตของเราที่บริหารเรื่องฮาลาลหรอฮาลามเนี่ยไม่ได้ผ่านอุดมการณ์และกรหลักความเชื่อว่าจะต้องอ้างอิงอัลลอฮ์อ้างอิงคําสอนของพระเจา้านี่นั่นหมายรวมว่า สิ่งที่เราจะกล่าวว่าฮาลาลหรืฮารอมโดยที่ไม่ได้มีหลักฐานไม่มีตัวบทรองรับนี่นะเท่ากับสิ่งที่มันไม่ฮาลาลเนี่ยไม่ฮาลาลเนี่ยเราบอกว่าฮาลาลสิ่งที่มันฮารอมเนี่ยเราบอกว่าไม่ฮารอมนี่นะอันนี้เป็นการอุปลโลกเป็นการกล่าวเท็จต่อเราสุภาพเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเร่อุปโลกนี่ก็คือเรื่องบิดเบือน ก็ไดสร้างความสับสนบ้านเล่านี้ระเ บ, บียบของกรรมการอิสลามที่อนุมัติแต่ร้านนี้และกรบบ็ระเบียบของกฎหมายทั่วไปเนี่ยร้านอาหารที่ไม่ใช่ของมุสลิมที่มีอาหารทา ال ال, ั้งฮาลาลและฮาโร่เช่นในร้านมีซีฟูด้ด มีไก่มีเนื้อวัวและในขณะเดียวกันก็มีเมนูอื่นที่ไม่ใช่บางคนเนี่ยเข้าใจอ๋อเมนูอื่นนี่ก็เช่นอหมูใช่ไหมอันนี้ขารามชัดๆเนะี่ยไม่ใช่คือบางร้านเนี่ยต้องเข้าใจนะร้านพี่น้องแตนเซนิกโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยจะมีบางกลุ่มเนี่ยหรือ อย่างเช่นคนอินเดียฮินดูเขาไม่กินเนื้อสัตว์เลยเขากินมังสวิรัตใช่ไหมแต่มังสวิรัตของเขาเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอ้อตาสีเขียวเนี่ยแสดงว่ามันไม่มีไม่มีเนื้อสัตว์แสดงว่าปลอดภัยมันมันเหมือนฮาลาส์มันไม่เสมอไปนะร้านอาหารฮินดูที่เขากินมังสวิรัตอย่างเงี้ยต้องระวังทาไมอ่ะ บางทีเนอาหารบางแสบของเขาเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นแอลกอฮอล์ก็ได้อาหารเจก็ต้องระวังมีอาหารเจนี่เอ่อเหล้านี่นะแอลกอฮอล์นี่มันไม่ผิดมันไม่ผิดเอ่อไม่ผิดเขาเรียกอะไรอาหารเจไม่วีเจอะถ้ามีส่วนประกอบเป็นแอลกอฮอล์ไม่ผิดแต่นักวิมบางคนเนี่ยหลวมตัวเนี่ยเอาเอาหารเจฮาลาลเนี่ยเนี่ยเนี่ยบิดเบือนแล้วก็สร้างความสับสนัะไม่ได้ ตงละเอียดใช่อาหารเจเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันหลาละหละคือมันไม่ไ ม, ไม่น่าจะไม่มองถึงคนที่ทําอาหารเจแล้วไม่มีอามาะนะฮ์นะกระหม่อมที่เ่อที่เขาไปไปตรวจแล้วก็ไปเจอไปเจอเชื้อปนปนของสัตว์เนื้อก็มีเหมือนกันนะหลอกชาวบ้านเหมือนกันนะที่อันนี้เราไม่พูดถึงประเด็นนี้พูดถึงประเด็นว่าคนที่ขายอาหารเจหรือที่เราเจอ บางทีเนี่ยเจะโลโก้แบรนด์ของจีคำว่าเจีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หมายถึงว่าจะจะฮาลาลเสมอไปพอช่วงเท ศ, เทศการเจีเนี่ยมันจะมีอาหารอร่อยมากโดยเฉามุสลิมที่อยู่ที่อยู่ในสังคมที่มีคนจีนเยอะอะนะแล้วก็ทินอาหารพวกนี้เนี่ยบ่อยแล้วก็ชอบไง แล้วพอที่ส ก, การอาหารเจนี่โอ้โหดิไปเดินไปเดินนี่แต่กันฮาลาลหมดไม่ต้องกลัวไสซื้อไม่ไม่ไม่ไมยางงั้นเนี่ยเป็นความเข้าใจที่เราไม่ไม่ให้บริบทของฮาลาลและฮาราลมีนะอิงหรือยึดในตัวบทชัดๆนี่มันเป็นแค่ความรู้สึกเจฮาลาลเจฮาลาลเท็จไหนอะอะไรที่มันอะไรที่รองรับเนี่ย เจเท่ากับฮาลาลอะไรที่รองรับสมการนี้ไม่มีหรแม่กระทั้งก็เลงจะบอกว่าร้านอาหารต่างศาสนกที่มีซีฟูด้ดแล้วก็มีอาหารสัตว์ที่ไม่ฮาลาลถ้าร้านอาหารนี้ไปขอฮาลาลของครัวฮาลาลทางกรรมาการอิสลามเนี่ยเขาจะมีมาตรการแยกครัว ค่อนข้างละเอียดละเอียดพอใช้ได้แหละแต่นี่คือมาตรฐานที่มันเป็นทฤษฎีเป็นเป็นรเป็นระบบหนึ่งสองสามะแต่ข้อที่จริงเนี่ยมันจะแค่ไหนเนี่ยอันนี้แล้วแต่เราจะเชื่อกรรมาการนิสลามจะบอกว่าอา้างครัวครัวจะขอฮาลาลนี่ต้องแยกนะกระทะหม้อส่วนประกอบอะไรต่างๆ ที่ใช้กับอาหารที่ไม่ฮาลาลเนี่ยแยกไปอยู่นู่นเลยนะส่วนอาหารฮาลาลนี่ก็ไปอยู่นี่อยู่คนละที่เลยนะล้างจานที่เขากินเนี on, ่ยนะถ้าเขาสัตว์หนูใครกินกินหมูกินอะไรเ ง, งี้ยแล้วจะมาใช้จานนี้เนะี่ยกับอาหารฮาลาลเนี่ยต้องมีล้างดินน้ําดินแล้วก็มีสบู่ดินให้ด้วยนะขายด้วยต้องล้างในอย่างดีนะแล้วได้ได้ฮาลาลเบื่งอย่างนี้เลย ฮาลาลนี่ไม่ไม่รับรองเรื่องอื่นนะเช่นร้านอาหารนี้เนี่ยมีเหล้ามไม่เกี่ยวเขาไม่เขาจะรับรองเฉพาะเมนูฮาลาลนี้นะอันนี้เนี่ยเขารับรองให้จริงไม่แปลกนะบ้านเราเนี่บางทีนี่เข้ามันเป็นคาราโอเกะมีดนตรีมีเหล้ามีอะไรแต่มีอาหารฮาลาลเคยเจอกันไหมเคยเจอไหมไห ม, มีใครเคยเจอไม่ม อโรงแรมก็มีโรงแรมได้ฮาลันโรงแรมของพี่น้องดัชนีก็ได้ฮา ล, บลมมับเบิ่มเดิมแต่ที่นั่นก็มีเราเกะกลางคืนกับดนตรีเข้าไปกินอาหารฮลาลัน่ป้ายฮาลันเบิ่มอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนกําลังเล่นกีตาร์อยู่ข้างๆป้ายฮลาลันเขาไม่รับรองอคือเราจะไปว่ากรรมการอิสลามราก็ดูสิเลิะเทอให้ตาฮาลันนึง คือเขาไม่ได้ตรวจแค่เขาตรวจเฉพาะในครัวตรงอย่างนี้ตรงเรียบร้อยอย่างอื่นนีเขาจะตรวจอะไรไม่ได้เราพูดถึงเรื่องนี้เพราะมันก็เกี่ยวกับเรื่องฮาราฮารอมที่มันเป็นเงื่อนไขค่อนข้างสําคัญในชีวิตของของพวกเราในปัจจุบันแต่พี่น้องเชื่อไหมที่เราเคร่งเคียดกันในเรื่องอาหารที่เข้าปากทอ้องในนึกอาหารที่เรากินกัน ใ, นในส่ปากเนี่ยที่มันฮารฮารอมเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องที่มุสลิมเขาเข่งคัดกันทั่วโลกนะโลกมุสลิมไม่ใช่นะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะปรากฏว่าคนที่แข่งในเรื่องอาหารฮาลาลและฮารอมเนี่ยแล้วต้องมีต่ฮาลาลและต้องมีการรองและต้องมีองค์กรรังรับนี่นะเฉพาะมุสลิมที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมที่จะเข่งกันเด้วยนี้บ้างราวน์ ยุโรปอเมริกานี่ม tacos, seguinte, ุสลิมเขาจะเข่งส่วนมากกันนะเขาจะเข้นแต่ประเทศอาหรับประเทศมุสลิมที่มีมุสลิมส่วนมากกันนะเห็นได้จากนักท่องเที่ยวอาหรับในเวลามาบ้านเราเนี่โอ้โหเขากินกันแมคโดนัลล์เอฟซีนี่ใช่เพราะเขาเข้าใจว่าที่บ้านเขานี่นะมันไม่มีปัญหา แสดงว่าอ๋อแบรนพวกนี้เนี่ยกทักว่วโลกก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหานั่นนหะมันเกิดจากอะไรก็จากนี่หลวมตัวกันเรื่องเรื่องเรื่องฮลารลาและฮารอมไม่คยไม่ค่อยระมาดระวังไม่เคยระมัดระวังแล้วเราก็ไม่ควรตําหนินะคนที่จะเข่งคัดในเรื่องฮาราและฮารอมบางส่วนแต่ส่วนอื่นนี่ไม่เข่งคัดอย่างเช่นมีนักท่องเที่ยวนี่มามาบ้านเราเนี่ยเข็งมากฮารา อาหารนี่เข้าร้านฮาร้านไหมนะแต่พอกินอาหารเสร็จแล้วนี่ก็สั่งเหล้าคือกินอะพอพอเขาจะเสิร์ฟพวกเนื้อพวกอะไรเนี่ยนฮะหาร้านไหมนะหาร้านพอเสร็จแล้วเนี่ยสั่งเหล้าหรือพอกินเสร็จแล้วนี่ก็ไปเข้าบาร์เบียไปเข้าคาราโอเกะไปไ ป, ไปนวดไปอะไรเลตุนเบมหมเฮ้ย <c oughs> อะไรมันเธออะ อย่าไปนั่นเลยอย่าไปเข่งเลยในเมื่อแกมามาเลอะแบบนี้นะว่าไม่ต้องไปเข่งนไม่ใช่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าอ๋อเขาเขาเขามาเที่ยวแบบไม่เข่งแล้วทาไมต้องมาเข่งเรื่องฮารอมนี่ก็ก็เขาเข่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็ลดบาตระดับหนึง่งก็โอเคแต่ก็ชื่นชมเขาในเรื่องนี้แล้วเตือนเขาในเรื่องอื่นหรือเราสมมุติว่าเราเห็นคนใส่บวกแบบผมเนี่ยใส่บวกไว้เขายาวอย่างเนี้ย แล้วก็ถือขวดเบียร์หนึ่งกรบังไปโกนเขาซะถอดโต๊บซะไปโกนเขาไปอะไรซะแล้วก็เองจะดื่มก็ดื่มตามสบายเนี่ยผิดซึ่งเป็นคำพูดที่เรามักจะพูดง่ายๆในกรณีแบบนี้เออโกนเขาแล้วก็ถอดโต๊บแล้วก็จะดื่มอะไรก็ดื่มไปไม่ใช่ดิคือต้องห้ามดื่มสเสมอไป แล้วราจะบอกว่าอ๋อเราต้องเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าจะดื่มเหล้านี่ยก็ต้องโกนเขาต้องเละถ้าจะเลือกที่จะใส่โต๊ะไว้เขาเนี่ต้องไม่ดื่มเหล้าอย่างเดียวนี่ให้เขาเนี่ ย, เ, ยเลือกอย่างห น, นึ่งอย่างถ้าจะดีไปเลยนะดีไปเลยร้อยปอร์ซหรือเลวไปเลยร้อร์ซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้คนเนี่ยปรับตัวแบบนี้ในระยเวลา เอาใหม่ตั้งไว้ให้เลิกเล่าตอนนั้นเลยถ้าเลิกไม่ได้นะอย่างนั้นโกนคับไปก่อหรือสมมติเราเห็นมุสลิมเขคุม่ยาบแต่พูดหยาบใครนี้ถอดนิกอบดีกว่าถอดนิกานิกอบแล้วก็จะด่าอะไรก็ด่าไปพราะนี้ทำแบบนี้มันน่าเกียดไม่ใช่มันไม่สชทางเลือกในการตักเตือนว่าให้เลือกระวัง ดี ร, อร้อกับเลวร้อยนี๋ไม่ใช่ตัวเราเองเนี่ยถ้าเอาหลักการแบบนี้เนี่ยมาใช้กับ ต, ตัวเราเนี่นะเราก็อยู่ไม่รอดจะต้องดีร้อยนนะนะหรือจะเลวร้อยปไปเลยเนเราไม่อยากจะเป็นคนเลวร้อยเซเช่นเดียวกันเราก็ไม่สามารถที่จะดีร้อยอรซ์ซใน ท, ทันทีแต่เราจะปลอบใจตัวเองว่าอะไรที่มันฮารอมที่เลิกได้ไเนรุ เลิกไปก่อนอะไรที่มันฮารอมที่เรายังเลิกไม่ได้เราขอเวลาเลิกตอนนี้เราตอบแจนแบบนี้ว่าเราเราอยากจะเลิกใช่ไหมัต่ใ น, นขณะเดียวกันในการที่จะเตือนในเรื่องเรื่องฮารอมและก็ฮารานเนี่ยเราควรที่จะให้โอกาส เนื่อกับคนที่ไม่รู้ว่าเรื่องนั้นมันมันฮารอมหรือไม่ฮารอมเพราะมีบางอย่างนี่คนไม่รู้จริงๆจะตำหนิจะไปด่าเขา ท, ทันทีเพราะเขาทําได้ไงเขาอาจจะไม่รู้จริงๆบางเรื่องที่มันอาจจะไม่ชัดเจนเรื่องฮารอมที่ไม่ชัดเจนหรือเขารู้แต่เขาไม่สามารถที่จะเลิก ท, ทันทีเลิกทำฮารอมทันทีเราก็ต้องให้โอกาสสําหรับเขาเป็นเรา ถ้าทำฮารอมมานานๆจะให้เลิกทันทีเราอาจจะเลิกไม่ได้เราได้ดูการบัญญัติสิ่งที่ฮารอมของอิสลามเนี่ยบางเรื่องในศา ส, สนาก็ได้บัญญัติเป็นขั้นตอนอย่างเช่นเล่าไม่ได้ไม่ได้บัญญัติห้ามจังหวะเดียวไม่เป็นเป็นขั้นเป็นตอนแสดงว่าการที่จะเลิกเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยมันเป็น มันเป็นระเ บ, บียบในบทบัญญัติอิสลามด้วยสามารถใช้ได้กับการสั่งสอนตักเตือนคนอื่นจะเลิกให้คนกินเหล้าเขาอาจจะเลิกทันทีไม่ได้บางคนเนี่ยจะเลิกได้ทันทีเนี่ยเลิกได้แต่ไม่ย่ทุกคนที่จะสามารถทำได้เราก็ต้องให้โอกาสกับคนอื่นในเรื่องนี้แต่สุดท้ายเหตุผลที่เราจะยึดมั่นในคำสอนว่าสิ่งนั้นมันฮลาลหรือฮะรมเนี่ ก็คืออัลลอ์บอกแล้วเราจะไม่บิดพิวหรือบิดเบือนคำสอนว่าอะไรมันฮาลาลหรือฮารอมนี่เพราะการบิดเบือนนี่เท่ากับเป็นการอุปโลกหรือปั้นเรื่องเท็จกาวหา อ, ลาาาลอาลัลลอฮ์ س ب า ا ละ ت ع ا ل อัม่าลลอฮฺทัฟตรูนซึ่งมันจะเป็นบาปใหญ่บาปใหญ่ใหญ่กว่าการทำบาปนั่นเอง หมายถึงว่าการทําสิ่งที่ฮารอมนี่นะมันบาปอยู่แล้วแต่การที่จะบอกว่าสิ่งที่ฮารอมนี่มันทําได้อันนั้นมันบาปกว่าสิ่งฮารอมที่เราได้ทํากินเหล่านี่ฮารอมแต่ถ้าเราบอกว่ากินเหล่าไม่มีอะไรหรอกอันนั้นบาปใหญ่กว่าอาจจะถึงขั้นสิ้นสิ้นสภาพความเป็นมุสลิมก็ได้ถ้าเราตั้งใจบิดเบือนคําสอนของอิสลาม ต่วะเลราาลาลเอนี่ยอาจจะสิ้นสภาพความเป็นมุสลิมนะขอรัอันอิสติฮ لال อิสติฮลาน่สิ่งที่มันไม่ฮลาลเนี่ยกล่าวว่ามันฮลาลเนอิสติฮ لال มันกูอกฟรเป็นเปการบิดเบือนศาสนาอันนี้เป็นมุตัดเลยสิ้นสภาพความเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นเรื่องการใส่ร้ายคาสอนของพระเจ้านี่ถือว่าเป็นบาปใหญ่ يا اللَّهُ بَحَنَوَدَ عَلَى الطَّيَنْ ب ُ و َ و َ م ا ظ َ ن ا ل ذ ِ ي ن ر و ن عَلَى اللَّهِ ا ل ك َ ذ ب ي ا ل ق ا م إ ا ل ل ه ل َ ف َ ع ل ى ا ل ن ا س ِ و َ ل ك ث ل ا ك ر و ลาูที่ปันแต่งความเพรให้แก่อัลลอฮ์จะนึกอย่างไรจะนึก คิดยังไงในวันกยม่วันกยนี่อัลล์จะลงโทษเอย่างคิดยังไงคิดกันยังไงว่าทแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วอัลล์ุานาลจะลงโทษพวกเขาอย่างไงคิดยังไงในอาซมานี่อัลล์ไบอกว่า ل ق ا ل ل ه วในวันกยนี่ ทุกขั้นจะพบจะเห็นตรออัลลอีนะกระเจบัวเราคนที่ปั้นเรื่องคนที่อุปโลกเรื่องใส่ร้ายอัลลอฮ์โกหกต่ออัลลอฮ์นี่กระเจาบอัลลอฮ์การลงโทษขั้นแรกที่อัลลอฮ์จะลงโทษก่อนที่จะเริ่มไม่ได้เริ่มไปลงโทษในรกนะไม่พอฟื้นคืนชีพในวันเกียมาหนี่เริ่มเลยเห็นคนที่โกหกต่ออัลลอฮ์อุปโลกเรื่องปั้นเรื่องต่ออัลลอฮ์อย่างี้จูฮฮุมมุสวดะ ใบหน้าสีหน้าเขาเนี่ยดำมืดเลยฉะนั้นไปวันเกีย ม, มานี่เห็นคนหน้าดำดำๆอย่างเงี้ยไม่ใช่คนแอฟริกานะอือเพราะฉะนั้นสีผิวในโลกนี้เนี่ยมันไม่ได้บ่งถึงข้อตำนใดๆมันไม่ได้มันไม่ได้บอกถึงข้อด้อยใดๆแต่วันเกีย ม, มานี่ใช่ถ้าใครหน้าดำานี่ใช่ ฉะนั ه, ้นในคุรอานอีอัลลอฮ์บอกสองประเภทเนี่ยมนุษย์จะมีสองประเภทต่บยดดวงจูนวัสวัดวจูใบหน้าของมนุษย์ในวันเกียรติก็มีสองประเภทเท่านั้นมีคนหน้าดำคนหน้าขาววันอัลกิยามัติทาร์เล่าที่นั้นคิดว่าลลอฮวิจุหุุมสวด และตรงนี้เนี่ยอัลลอ์บอกว่าเมา่อกเขาคิดอะไรอคนนีคนคนีปั้นเรื่องปั้นความทิศให้แกอัลลอฮ์นี่เขาคิดยังไงอัลลอ์อยากจะเชิญชวนความสำนึกของเขาเนี่ยให้พยายามนึกถึงความความเลวร้ายของการกระทำของเขาแต่ที่จริงเนี่ยโทษของคนที่ ตันเด้งแบบนี้เนี่ยเาลาบอกไว้แล้วว่าเขาจะลงโทษในวันเกียร์ว่าอย่างไงซึ่งความสำนึกแบบนี้เนี่ยที่จะทําให้พวกเรานี่ให้ความสําคัญกับเรื่องการพูดความจริงเกี่ยวกับคําสอนของอิสลามคําสอนของอิสลามที่ตรงไปตรงมาความสัจริงของอิสลามอยู่ก็คือ การที่เราได้นําเสนออิสลาม <c oughs> คำสอนของอัลลอฮ์นบีสูเนี่ยยัางตรงไปตรงมาแล้วก็ให้วาดกลัวที่สุดถ้าเราได้นําเสนอเรื่องราวของอิสลามโดยบิดเบือนบิดผิวหรือไม่ตรงไปตรงมาเกรงว่าเราจะอยู่ในกลุ่มเหล่านี้กลุ่มที่กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์เรื่องที่อัลลอ์ไม่ได้พูดแต่เราบอกว่าอัลลอฮ์พูด เร ال ان إن ืいい่องทีいい่อัลลอฮ์พูดแต่เรากลไม่พูดอัลลอฮ์ไม่ได้พูดสาหรับฮาริสของท่านนบีเองนะนบีได้บอกเล่าในฮาริสมุตวาดะมันค๊าบะอาลีมุตเอมิดันฟิลียะตโบะมะกาดะฮูมินันนารใคร่ที่ใคร่ที่รายงานฮดีิสก็มุทเทติงให้เตรียมกาอีดในนรก นีขนาดหะดิษนบีนะแล้วการเรืงงานหะดีษนบีนี่ถ้ารู้ว่ามันเป็นฮะดิษเกีรู้ว่าเป็นะดิษสดุลยยังรู้แล้วนีว่านบีไม่ได้พูดนะแต่เรงงานรงานี่บอกว่าเรียรซูุลลอฮนบีพูดแล้วเรารู้ในใจเนี่ยรู้ด้วยความรู้ของเราเนี่ยรู้หะดีษนี่เนี่ยเมาด้วนนบีไม่ได้พูดแต่เราก็ยังร่งงานยังสอนชาวมาเนี่ยท่านนบีพูด กระเองว่าจะอยู่ในจาพวกที่โกหกที่กล่าวเท็จต่อเนาะด a d i t h ของของนบีนี่ก็คือเหมือนคุณอังนี่ละ وما ينطق น ن الهوى ในบรรดูอมัุสลิมดั่นบีซลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมได้บอกว่ามันพูดถึงอันนี้ h a ี i t h พูดอันี่ได้เรืงาน h a d t h จากฉันว่าเขาเยุรบางเรองานบอกว่าว่าเขาเหยรอวเขาเยีรอและเขารู้ในใจนีย ว่าดีซีเร่งาจะฉันนี่นะอนุเขาคดิบว่าดีซนีเขคดิบอขาฉันมีบุตรฮารูนะฟะฮ ا วอัพฮาด ب ลคาดิบเขาไม่อยู่ในจำพวกพวกโกหกมัดเท็ดบางสมนวนนี่มัลนูีวัวฟวอัพ ه าดุลคาดิบีนอยู่ในกุมโกหกสองคน สองคนนี่คือใครคือคนที่อุปโลกฮะดิษนะและคนที่รายงานน บ, บีริกโกโกหกเหมือนกันเราไม่ได้อุปโลกนะแต่เราเผยแพร่คําอุปโลกกลายเป็นคนโกหกเป็นด้วยหมายถึงว่ามีบาปเหมือนคนที่อุปโลกฮะดิษมานสมมติมันพูดถึงนี่ฮะดีษนว่าหัวยุราไม่ใช่ยุรานะ่ยยรานี่ตัวเองนี่รู้รู้กระใช่แต่ว่าหัวยุราแต่ฮะดิษี่ดูเหมือนว่า ดูเหม ian, ือนว่าเขาอาจจะไม lerin, sing, ่รู้ด้วยข้อมูลแน่นอนในใจว่าแต่ฮ hey ัดี <Yes. S 2> ้ดูเหมือนว่ามันไม่น่าจะฮัดดี้ใสะยังสงสัยอยู่แต่ก็ยังดันรายงานเผยแพร่มีบางสำนวนเนี่ยอุลามาก็เลยบอกว่าฮัดี้ที่เราไม่แน่ใจว่าไนมีพูดหรือไม่พูดเนี่ยงดไปก่อนสําหรับคนทั่วไปเนี่ยเาโอ้เรื่องง่ายนิดเดียวงดฮัดดี้งดรายงานฮัดดีที่สงสัยเรื่องธรรมดาใช่ แต่สำหรับคนที่เป็นผู้รู้หรือคนที่อยู่ในตำแหน่งที่จะต้องสอนน่ะนะนะอย่างเช่นขึ้นคุตบ้านอย่างเงี้ยการรายงานหดีีซีมันมีสด่ใช่ไหมคือเราพูดนะ่ะเราพูดเนี่ยคุตบ้าคุตบ้านนี่นะพูดครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเป็นคำพูดของเราคนที่สอนเนี่ยรู้กระจายเนี่ยคำพูดตัวเองเนี่ยแทบไม่มีน้าหนักเลยแต่ถ้ามีอัลลออัลลอ์กล่าว ท<พ>่านพูดว่าอุ้โหมันมีสนเสน่ชอบมันจะมีสนเสน่หไปเลยแต่ปัญหาของฮาริสเพราะฮาริสในคุรานี่ทไม่มีปัญหากุรานี่อันนี้ใช่คุรานี่ไม่ใช่คุร า, า, า, านาี่ตรวจสอบง่ายแต่ฮาริสนี่มันอาจจะยากเลยต้องมีวิชาการเลยแต่บางคนเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากจะลงทุนใช้เวลาในการตรวจสอบฮาริสที่ใช่เอาใช้เลยถึงขนาดอันนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยเขาบ อ, อกว่า คนหนึ่งเขาไปฟังคุดบ้าก็คนที่ขึ้นคุดบ้านนี่ยเขาฮะดิษทุกบทที่เขาอ้างนะเป็นฮะดิษเมาด้วอทั้งนั้นคําว่าเมาด้อนะเนี่ยนะเมาด้วอเนี่ยในภาษาอับดับนี่มีสองความหมายเมาด้วอไปว่าสาระนะความหมายที่สองนี่เมาด้วอไปว่าอุปโลกเกไม่ไม่ใช่ทุกผิดอุปโลกมีสองความหมาย เขาได้เห็นเขาเตคนนี้เนี k ha, k ha, k ha. Ita, Lebanon, ่ยเขาขุดบ้าเนี่ยะดษทั้งหมดเนี่ยฮะดิษเกทั้งนั้นหลังขุบ้านเนี่ยเขาก็อาจารย์บเขาเตมนเขาอาจารย์ฮะดิษที่ท่านขุดบ้านในที่ท่านท่านเตรียมขุดบ้านนี้จากตำราไหนจากอไมบอก่อะดิษนี่ไม่ต้องห่วงโอ้เตรีมาจากตำราฮะดิษตำราอะไรครับอาจารย์เขาบอกว่านั่นเสืออัลเมาดูอาตของอิบนเจ้าซี เอ็งนุ่นเจ้าิเขียนนังสืออมาดุอาตคือฮะดีสบรรดาฮะดีสเกมอุปโลกทั้งหลายเขานิกว่ามาดุอาตนี่หมายว่าฮะดีสซีมิสาระแตดี๋ยเขาไม่ได้เรียนวิชาฮะดีสไงเขาก็ไปเห็นมีหนังสือเรียกว่ามาดุอาตอ๋อคือมาดุอาตฮะดีสซีมิสาระต่างๆ่างเขาก็ไปเปิดอะไรที่มีก้อละลาสูละคือก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องสืบอะไรเรื่องวิชาเนี่ยเขาไม่อ่านละลาสูรุลลอฮฺนี่อัมาเลย ก็ฮัตสมองเเก้งทันั้นฮอิดิอุลเจลซีนี่รวบรวมบรรดาฮัตติสที่อัลเมาบอกว่ามันเป็นฮัตติสมอุปหลุกทั้งนั้นไม่ได้นะครับเรื่องการสื่อสารเรื่องศาสนาเนี่ยเราต้องระมัดระวังจะเป็นผู้รู้ไม่ได้เป็นผู้รู้เราไม่ได้เป็นผู้รู้นี่สาระศาสนาที่เราจะนําเสนอจะมีนอซิหาจะมีฮัลลกตจะขึ้นขุดบ้านอะไรพยายามตรวจสอบให้ดี มันก็จะทําให้เราเนี่ยละเอียดอ่อนในการอ่านหนังสือเลือกหนังสือหนังสือที่เขามีกล่าวบันทึกตรง น, นุ่นมีอุลุลามานเนี่ยผู้เขียนนี่เขาจะบอกในฮะดิษนี่ซอฮีฮะดิษนี่ฮะศาสนะดนี่อันนี้เป็นหนังสือคนที่เขียนประพันธ์หนังสือนี่มีชื่อเสียงดารุษการเนี่ยอันนี้ก็พอทําให้เรามีความละเอียดนิดหนึ่งในการคัดเลือกแหล่งข้อมูลที่จะสื่อสารเรื่องศาสนาตอนนี้เนี่ยผมปวดหัวมากเลย เพาอาจารย์ทิกต็อกและยูทูบเนี่ยุยมากเลยอสการป้องกันความอยากชนอสการ์ไม่ให้รถชนอสการไม่ให้ไม่หแล้วก็เขาจะมีนะให้ก่าวอสการนี่ส1ครั้งตอนเช้าตอนกินให้กล่าวอสการนี้เนี่ยสาครั้งก่อนนอนผมก็เจอบ่อยเลยเช็คจริงไหมโอ้นี่จะจะตามทันไหมเนี่ย แล้วก็ของติ๊กต็อกทั้งนั้นนะนะที่เขาส่งมานี่ของติ๊กต็อกทั้งนั้นนะ่ะฉะนั้นอยากจะบอกว่าอ่านอะไรนี่เจออะไรที่ติ๊กต็อกนี่นะฟันธงได้เลยถ้าไม่มีรายงานเรื่องแรกเลยถ้าไม่มีงานรายงานฮะนี่นะขอให้ถ้าขอ้อแท้จริงเนี่ยมันเป็นบุคอรีเนะไม่ต้องตรวจสอบเนะี่ยทิ้งไปก่อนถ้าไม่มีรายงานเลยทิ้งไปก่อนอะไรเพราะส่วนมากนี่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่นะเป็นฮะดิษใช้ไม่ได้ อีกอย่างนหนี่สองที่ตรวจสอบได้เนี่ยอะไรที่ไม่ใช่ตัวเลขสามครั้งนี่นะทิ้งไปเลยถ้าเป็นสามครั้งนี่ออออมาตรวจสอบก่นอนยังพอได้แต่สิบเอดครั้งอย่างเงี้ยสามสิบครั้งห้าสิบเจ็ดครั้งยังมันตัวเลขอะไรแปลกๆเนี่ยตัวเลขที่มันไม่มีในซุนนาของท่านนาบีเนี่ยเจออะไรพวกนีน้ตัดทิ้งเลยไม่ต้องส่งมาให้ผมนะตัดทิ้งไปเลยผมรับผิดชอบเองผขไม่ไหวไง เจอตลอนไหมจริงไหมมีไหมจริงไม่มีไม่เนี่ย น, น, นี่เจอบอยเนี่ยตัดไปแล้วเนี่มันจะช่วยผมเยอะไยเรื่องเนี้ยแล้วทั้งหมดนี่มันก็อยู่ในบริบทของการที่เราจําแนกไงอะไรที่มันใช่อะไรที่มันอิสลามมันอิสลามอะไรที่มันใช่ถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรที่มันอุปโลกไม่อุปโลกอะไรที่มันฮะลาฮารอมเป็นคำสั่งสอนจริงไม่จริงนี่ทั้งหมดนีนะเราเราต้องช่วยตัวเองในเรื่อง ต้องคัดเลือกและเรามั่ระวังในการสื่อสารกับคนอื่นว่านี่อิสลามว่อย่างนี้อิสลามทําได้อิสลามทําไม่ได้ที่เรามักจะใช้กันนะครับเนี่ยอิสลามทําได้อิสลามทำไม่ได้โอ้อิสลามแบบนี้ห้ามนะอะไรเงี้ยต้องระวังหน่อยจะได้ไม่อยู่ในกลุ่มเนี่ยอินนัลลอฮฺเราดูฟะลิะลลนัสแทจริงอัลลอฮนั้นทรงเป็นผู้มีบุญคุณต่อมนุษย์ ใช่ดบุญคุณที่พระองค์ให้ให้เราได้มีแหล่งข้อมูลที่จะสืบตรวจสอบคำสอนของพระเจ้าง่ายนิดเดียวง่นิดเดียวศึกษาเรียนรู้กุตอานเราก็จะรู้นะ เ, า, เาต้องการอะไรจะรอยู่ในกุตอานหมดยิ่งศึกษามาก <c oughs> ลึกซึ้งเราก็ยิ่งจะรู้นะครับว่าคำสอนของพระเจ้าของเราเนี่ยคืออะไรบางทีนี่อาจจะไม่ได้ละเอียดถึงขั้นที่จะต้องจากุตอานทั้งเล่ม แต่ถ้าเราอ่านกุศอ่านบ่อยๆศึกษากุศอ่านบ่อยๆเนี่ยเราจะมักคุ้นกับเรื่องที่อยู่ในกุศลอ่านเนี่ยเราจะมักคุ้นเรื่องที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยเราก็จะไม่คุ้นเคยเออมันก็ใช่ความรู้สึกแบบนี้ระดับหนึ่งในการคัดเรื่องหรือสาระต่างๆของของศาสนาว่าอันนี้อันนี้ใช่หรืออันนี้คุณคุคุณคุ้นตรวจสอบหน่อยไออันนี้ไม่คุ้นอ่ะยังงั้นเบรกเบกไว้ก่อน ความโปรโดปรานที่อัลลอฮฺสุบไพร์นเอาใจเราไม่ให้ไม่ให้คุตัานของเราเนี่ยถูกสังคายนาจากมนุษย์หลายรอบทําให้กุตัานนี้มีหลายเล่มแล้วไม่สามารถที่จะการันตีว่าเล่มไหนที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเหมือนความเชื่ออื่นๆไม่กุตั้นของเราเนี่ไปอเมริกาไปจีนเออคุตัานอยู่ไหนเล่มเดียวกันนี้แหละเล่มเดียวกันทั่วโลกทุกที่ทุกมสัสยิดเนีย่ยไม่ยิ่งใหญ่ไหม ดู فضل เราบนนักบนบุญคุณมหาศาลจาก Allah ولكن أكثر الناس لا يشكروا تواس و ن ي و ي ของพวกพวกเขาไม่ขอบคุณคือไม่ไม่กตันยูต่อบุญคุณนี้กตันยูต่อบุญคุณนี้ชูก็ต่อบุญคุณที่ a l l a ให้เราได้มีกุฎอ่านอาการญูคือไม่เรียนรู้กุฎอ่าน فضل ا ุ ل ه ความดรองอัลลอฮ์ที่ให้เราเียนมีคุรานี่การปฏิเสธเนี่ยว่าอัลลอฮ์นี่ก็คือไม่เอาคุรานไม่เอากุรานนี่มันมีหลายรูปแบบไม่เุรานนี่คือปฏิเสธคุรานแต่ยอมรับในกุรานเชื่อว่าคุรานนี่เป็นคำนำางของอัลลอฮ์นี่นะแต่ไม่ไม่ไม่นมาใช้ในชีวิตของตัวเองก็ก็ถือว่าเป็นการอกตัอยู่ต่ออัลล์เหมือนกันนะครับุจะอวยพินนนนาคบบัสลลัลลอฮอลนบีมุฮัมมัดอลลอฮัลล ا ل ล م د لله رب العالمين มีคำถามไหมครับถ้าสำหรับเราอเรารู้สึกว่าถ้าเราไปเจออาหารหนึ่งมันโดยโดยพื้นมันเป็นน้ำโดยพื้นฐานเนี่ยมันคนจะไม่มีอะไรไม่ไม่ฮาลาลแหละแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอเราลองพิกข้าวกว่วดูเนี่ยมันไม่มีตราเราก็เลยลองเช็กดูส่วนประกอบที่มันเขียนไปได้ฉลาดตออต่างๆอะไรพอเราเช็กแล้วเนี่ยมันมีบางสาร ที่มันอยู่ในหมวดที่มันกำบัวมันอาจจะมาจากนกก็ได้หรืออาจจะอาจจะมาจากสัตว์ตก็ได้หรืออาจจะมาจากพืชก็ได้แต่ตัวอย่างน้ํานี่ตัดไปเลยนะออตัวอย่างก็หมายถึงว่าอาหารบางชนิดเนี่ยนะที่ไม่มีแต่ฮาลาลแต่เบื้องต้นเนี่ยเรานึกว่าถ้าไม่มีต่ฮาลาลแต่ไม่ไม่น่าจะมีส่วนประกอบที่มีปัญหาแต่พะไปอ่านแล้วเนี่ยในส่วนประกอบเนี่ยพบบางสาร ที่อาจจะมีข้อสงสัยอันนี้แบบนี้ใช่ไมใช่แล้วแล้วข้อสงสัยนี่มันระดับไหนอ่ะมากกว่าห้สิบอร์เซ็นที่เช็คในเว็บคือเขาบอกว่าต้องควรให้มีตราขันเพื่อยืนยันว่าว่าอันนี้มันอาจจะมามันมันมาได้อะถูกต้องถ้าหากว่าไอ้ไอ้ส่วนประกอบนั้นนะ่ะเราแค่ยังแค่สงสัยนะแค่สงสัยนี่อันนี้ผมตีให้เลยเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าน้อยกว่าห้สิปอร์็ตเนี่ย ไม่มีความมั่นใจอะนะก็คือน้อยกว่าห้าิบเซหรือน้อยกว่านี้นะี่ไม่มีความมั่นใจก็ไม่มีความหมายโดยรวมเนี่ยถ้าผลิตพันธุ์ไม่น่าจะมีปัญหายิ่งถ้าเป็นอาหารทั่วไปเนี่ยที่เราคิดว่าหรือเราเชื่อหรือคนทั่วไปเนี่ยเขาเชื่อว่มไม่น่าจะมีปัญหาเกลืออย่างนี้เกลื อ, อยังไงก็จะไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรส่วนประกอบที่มันมั น, ม, นมันน่าจะห่าร ถ้าอย่างนี้เนี่ยขอให้มีส่วนประกอบอันหนึ่งแล้วเรายังสงสัยเนี่ยอันนี้ตัดไปเลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าส่วนประกอบอันสองอันเนี่ยที่เราค่อนข้างมีข้อสงสัยค่อนข้างแรงหน่อยมากกว่ามากกว่าห0อซอันนี้เก็บไปก่อนไม่ได้หมายรวมว่ามันฮารอมเหมือนกันนะแต่อย่างน้อยนี่ก็เป็นชุบัตชุบัตนี่ก็คือคุมเครือไปชัดเจนอันนี้ทิ้งไปดีกว่าตามหลักการศาสนา ก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นถ้าเห็นคนอื่นถ้าเห็ถ้าเห็นคนอื่นก็ถ้ามีจังหวะโอกาสที่จะบอกว่าเออนี่มีปัญหานิดนึงนะบางให้ระวังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงถึงขนาดที่จะบอกว่าเออมันให้อย่าไปกินเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ไม่ควรที่จะถึงขนาดนั้นคนที่สมมติว่าเขาเขาเชื่อสุดใจแล้วจริงๆริแบบจากความรู้ของเขาเนี่ยว่าอันนี้เนี่ยส่อเฮียในความรู้ของเขาแต่ว่าใครที่สุดแล้วเขาเป็นผู้รู้มไหมล่ะ อาจจะตอ้องการกรณีพลาเรครับคือถ้าไม่ถามก็ถ้าผมไม่ถามคําถามนี้เนี่มันก็ตอนแ็กที่ผมคิดไว้คือกรณีที่เป็นผู้รู้ อ, อย่างเช่นบางท่านที่เขาอาจจะมีตำาการติดแล้วท่านไม่ถ้าไม่ได้เป็นผู้รู้นี่ก็ก็คําว่าเราเชื่อว่าเขาเชื่อนี่นะไม่มีความหมายได้บ อ, อกป่ะถ้าไม่ได้เป็นผู้รู้นี่นะการที่อ้างฮะดีษนะความน่าเชื่อถือนี่มันก็คือศูนย์ไปเลยก็เหมือนคนทั่วไป ไม่ได้เป็นผู้รู้ลักางฮาริสเนี่อันนี้เราเหมือนเหมือนเราอ่านในในหนึ่งซีบิมเหมือนอ่านฮาริาสหนึ่งซีพิมทาไมเพราะคนค น, นี้เนะี่ยเขมีความรู้เขา อ, อาจจะเอามาจากไหนก็นได้แต่ถ้าเป็นผู้รู้นี่นะอาจจะต้องลงลึกไปอีกนิดนึงว่าเป็นผู้รู้เรื่องอะไรเขา อ, อาจจะเป็นความมีความรู้เรื่องภาษาอย่างเดียวความรู้เรื่องฮาริสอาจจะไม่มีก็เช่นเดียวกันอาจจะไม่มีความหมายเหมือนกันอันนี้ในกรณีที่หาดิสที่เขาทำงานนี่นะ ไม่ได้พูดรายละเอียดที่ยืนยันในความถูกต้องของขดิษก็ละรอสรละจบและเขาไม่ได้เป็นผู้รู้เรื่องขดีษอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึน่งแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้รู้เรื่องขดิษไม่มีความรู้เรื่องขดิษแต่เวลาเขาเตรียมข้อมูลมานี่นะก็ละรัสรละบันทึกโดยอิมาและอิมามเขาบอกว่าขดิษฐ์สวาโอเคอันนี้อันนี้เรารับเราเข้าแบบนี้เนี่ยด้วยความสบายใจระดับหนึ่งได้เอาไปใช้ได้จนกว่าจะมีข้อมูลอื่นมาหักหลาง แต่ข้อมูลนี้นี่ในกรณีที่ข้อมูลของผู้รู้เนี่ยที่เรามั่นใจว่าผู้รู้เนี่ยไม่ได้เป็นผู้รู้ที่แบบว่าเขาใรในสำเนียงภาษาเรื่องหาติบุละไรหา้าตือคนที่เขาแต่ก่อนทุนอราบเนี่ยเวลาเขาจะไปเก็บฟืนนะ่ะนะเขาต้องไปเก็บฟืนกังวังทําไมอ่ะเพราะแหล่งที่จะมีฟืนเนี่ยมันจะมีงูด้วยแล้วเวลาไปเก็บฟืนกลางคืนนะ่ะนะก็ต้องเจออะไรเจอของพวกเนี้ย เขาก็จะเรียกว่าไอ้คนนี้ไปเก็บฟืนกลางคืนนะ่ะหมายถึงมันก็ต้องเจออะไรที่ไม่ดีถ้าเป็นประเภทผู้รู้ที่ไปเตรียมข้อมูลจากแหล่งอะไรก็ได้อย่างเช่น AI นี่มีประเด็นล่าสุดเนี่ยที่มีความขัดแย้งระหว่างผู้รู้ว่าเรื่องไท่ไทยวัวไทยได้หรือไทยไม่ได้แล้วก็โอ้โหนี่กลายเป็นสองสำนักสองมัชับเลยนะแล้วก็มีสํานักหนึ่ง ผู้รู้คนหนึ่งเข้ากไปเตรียมข้อมูลจาก a อไอไปถาม a อไอว่าไท้วัว น, นี่ได้หรือไม่ได้ a อไอนี่มันมั่วไงมันมั่วบอกก็ได้แล้วก็มีหลักฐานหนึงอู้อย่างนี้เนี่ยเป็นตัวเป็นตาเลยนะ <c oughs> เป็นเรื่องเป็นราวเลยอะ่ะปรากฏว่าฮาดีซีเออรายงานมานี่มั่วมั่วจริงๆอ่ะนี่จะเป็นเนี่ย ถ้าเป็นเราวนี่ยผู้รู้กําลังพูดถึงเรื่องศาสนาแล้วก็ผู้รุ้จบจบมหาลัยด้วยแต่แต่เป็นที่รู้กันนะว่าเขาไม่ไม่หนักแน่นในเรื่องเนี้มันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้สำหรับสําหรับคนทั่วไปนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยผู้รู้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะไม่เชื่ว่าไม่เชื่ว่าแค่มีอ้ออางออ่างอย่างเดียวนี่ก็เป็นการการันตีนี่ไม่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้น เ, น, าราร ine, เนี่ยทุกคนเน่ยนะผมนี่นะสมมติว่าผมเนี่ยอันนี้ด้วยความเคารพในอาชีพต่างๆสมมติว่าผมเน EN ี่ยเป็นวิศวกร ไม่ได้เรียนรู้ศาสนาอะไรเลยแต่อยากจะพูดเรื่องศาสนาใครจะห้ามอใครจะห้ามแล้วพอไลฟ์แล้วเนี่ยผมก็ใส่อออ่างให้ตัวผมอแล้วก็ดันคนที่มาดูผมนี่นะอาจารย์มีคําถามไหมค่ะอาจารย์เรื่องแบบนี้เยอะไหมโอ้ยนี่เยอะมากเยอะมากมากเลยก็ต้องระวังต้องระวังนิดนึงโดยเฉพาะพวกที่พว ก, พวกชอบไลฟ์ไลฟ์เนี่ย ถ้าเราจะเตรียมข้อมูลไปนากศึกษา น, นะครับการตรวจฮาริสมากแค่ไหนหนึ่งเพื่อจะเตรียมข้อมหมายถึงว่าแบบสมมติบางฮาริสมันจะมีแบบเชฟคนนี้บอกว่าเสียดีคนหนึ่งบอกสําสหรับคนทั่วไปเนี่ยที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงตําราการตรวจสอบฮาริสเนี่ยเขาจะต้องตรวจสอบในตัวผู้รู้ไม่ได้ตรวจสอบในตัวฮาริส พอาะเขาไม่มีความสามารถพอแม้กระทั้งผู้รู้ผู้รู้ที่จะมาบอกว่าอะไรงานโดยบุคลีเรามุสลิมและจะรู้ยังไงว่าจริงหรือไม่จริงฉะนั้นต้องตรวจสอบในตัวผู้รู้ก่อนถ้าผู้รู้คนนี้เราตรวจสอบแล้วว่าเออเป็นน่าเชื่อถือยังไงอ่ะมีการยอมรับมีคนเขายอมรับมีนักวิชาการเขายอมรับเขามีตำรับตาราที่ที่วงนักวิชาการเนี่ยเขายอมรับแบบนี้เ ร, เราก็รับรับข้อมูลจากเขาได้ เรื่องคดีเพาะฉะนนในกรณีที่มือนแบบว่าสมมติอ้นี้ก็คือแบบฟังนะอ่าคนนึงบอกว่าคดีนี้อ่านไปถึงเช็คดีตรวจสอบคดีอีกคนหนึ่งว่าเขาบอกว่าได้ครับก็นี่ไงคือเราจะรู้ยังไงเยาวาที่เขาอ้างนี่มันใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องรู้ว่าเขาน่าเชื่อถือหรือเปล่าทำไมถึงว่าไปตรวจตัวผู้รู้ที่ตรวจคดีตัวผู้รู้ที่กําลังที่กําลังให้ข้อมูลกับเรานี่แหละว่าเขาน่าเชื่อถือหรือเปล่า ซึ่งเป็นกระบวนการเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะรับรู้จากคนหนึ่งคนใหนนี่นี่คือสําหรับคนทั่วไปนะแต่สําหรับคนที่เข้าถึงตําราตัวสอบฮะดิษได้ซึ่งเดี๋ยวนี้นี่ก็พอพอที่จะเข้าได้นะหมายถึงว่าในเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็ให้มันแปลให้มันอะไรนี่มันก็มันก็อกพอได้ถ้าเราจะถ้าเราอยากจะตรวจสอบตามผู้รู้นี่ก็ยังพอได้ถ้าเรามีมานะมีความตั้งใจในการที่ตรวจสอบฮะดิษจริงๆเนงะีนั่นก็พอได้แต่นี้มันไม่ใช่คนทั่วไปไง คนทั่วไปเนี่ยให้ตรวสอบตัวคนก่อนฉันจะเลือกนะกูชนแล้วก็อย่าให้เราไปคลึงแคบในในเรื่องหะดีเสียงเดียวนะเพราะตะกี้เนี่บอกว่าการสื่อสารเรื่องศาสนาเขาไม่จําเป็นต้องบอกว่าคอลลาลัูลเราจะได้ไปตรวสอบตามเฮ้ยเขาหะดีส์ม่ใช่คือบางทีเนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องหะดีเขาไม่ได้บอกว่าคอลลาลัสูลเราแต่เขาบอกว่าให้อิสลามทำได้อิสลามทําไม่ได้แบบนี้ต้องตรวจสอบไหมต้องตรวจสอบเหมือนกัน บางทีนเรื่องมั่วๆแบบนี้นี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะอิสลามทได้เนี่ยคนที่มามามาชอบพูดชอบบรรยายแต่ว่าอิสลามทได้แบบที่ทาได้แบบนี้อิสลามทาไม่ได้อย่างเงี้ยมันเท่ากับบอกว่านบีบอกว่าทาได้นบีบอกว่าทำไม่ได้อัลล์บอกว่าทาได้อัลลอ์บอกว่าอิสลามนี่คืออะไรต้องอัลลอ์ก็ละซนไสองอย่างนี่แหละมไม่ต้องบอกว่ากาลกาลลอฮไอ้ไม่ใช่คุรอ่านกาลลลนไม่ใช่ะดีสัไม่ใช่แค่นี้รืศาสนาทั้งหมดเลยเนี่ย ใครที่ศึกษาเรื่องศาสนาก็ต้องตรวจสอบอย่าว่าคนที่คนที่แอบอ้างว่าเป็นผู้รู้นะเขาไม่แอบอ้างเลยบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่มีใครกล้าไม่มีใครบังอาจเนี่ยแต่ประเทศอาหรับนี่มีเยอะเป็นดาราอย่างนี้เป็นนักแสดง น, นักร้องอย่างเงี้ยมาพูดเรื่องศาสนาเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหารเรื่องศาสนานะมีนักแสดงคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ย อาชีพของเธอนี่อาชีพส้นติดใจมะที่ทํางานเป็นนักแสดงเป็นอะไรเงี้ยพอมีผู้รู้เขาบอกว่าไม่ได้นะมันได้ได้มันคารอมเนะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เพราะอัลลอฮ์บอกอัลละมาลุอิบะดาอัลลอฮ์บอกว่าอามัลการทํางานนี่เป็นอิบะดาฉันเนี่ยทำอิบะดาอันนี้เป็นเป็นเป็นดาราเป็นนักแสดงไม่มีเขาัาสนะอะไรเลยนะแล้วก็อายะนี่ยไม่ด้เป็นอายะอะไรเลยเนาะ อุปโลกอะไรขึ้นมาเนี่ยอาดัชนี้เขาก็จะง่ายๆในเรื่องนี้เนี่ยพอเขาพูดภาษาอาดัชเนี่ยอะไรอไรนี่ ก, ลลก็อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์พูดอะไรมันง่ายมันง่ายสําหรับคนทั่วไปบ้านเราอาจจะไม่มีแต่เราจะเห็นสําหรับคนที่ชอบคืออยู่ในสภาพยูรูอยู่ในสถานะที่คนเขาติดตามแล้วก็ตั้งคําถามแล้วเขาต้องมีคําตอบ บางทีไม่มีคำตอบด้านศาสนาก็ต้องมีคำตอบโครก่าคํำตอบแบบเทกเว a y ก่อนเขาเรียกว่าฟาอะของด่วนก่อนแล้วของด่วนนี่มักจะเป็นอะไรหลุมหลวมที่จับต้องไม่ได้ไม่น่าจะมีปัญหานะไม่ก็ก็ลองดูไปก่อนนะอะไรเงี้ยคือคือต้องมีคำตอบอะแต่มันไม่ใช่คำตอบของศาสนาแน่นอน ออันนี้ก็ก็ต้องตรวจสอบแล้วต้องระมัดระวังเช่นเดีวยวกันครับลารจับเงินว่ามันมีประเด็นใหม่ในด้าน ท, ที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยเช่นในด้านองการเงินในด้านของอะไรต่งางๆคนที่ชี้ว่าที่มีผู้อ่านไม่ได้บอกตรงๆนะที่ไม่ได้ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้นี่สองระดับผู้รู้โดยเอกเทศนี่ผู้รู้คนคนหนึ่งหรือผู้รู้ที่เป็นกลุ่มที่เป็นคณะ คณะกรรมการผู้รู้ผู้วินิจฉัยหรือผู้วินิจฉัยเพียงคนเดียวซึ่งในโลกมุสลิมก็มีอยู่แล้วคือปัญหาแทบทุกปัญหาเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยที่มีความเข้มข้นในเรื่องหลักการศาสนาวิถีชีวิตของเขาเนี่ยต้องกลับไปสู่ศาสนาแล้วเขารู้ว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงหลักการศาสนาด้วยตัวเองเขาก็ต้องกลับไปหาผู้รู้คนแบบนี้ในชีวิตของเขาเนี่ยจ ะ, จะง่ายจะราบรื่นจะทําธุรกรรมด้านการเงิน ไปโอนเงิไปไอ้แบงก์อย่างเงี้ยทำธุรกรรมด้านการเงินเอ๊ะมันได้หรือไม่ได้เขาขอฟะข อ, ข อ, ขอดูฟะตัวของคุณลยมาอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ต้องมีฟะตัวจะได้สบายใจฟะตัวนี่จะผิดจะถูกเนี่ยเขานี่ไม่ผิดนะแล้วเรื่องนี้เนี่ยเรื่องเข้าถึงไม่เข้าถึงเนี่ยมันความผิดถูกเนี่ยมันจะอยู่กับคนที่เขาวินิจฉัย ใ, ให้แต่สําหรับคนทั่วไปเนี่ยผมไปไอ้แบงก์อย่างเงี้ยผมไม่มีความรู้เรื่องศาสนาเฮ้ยมันได้จริงเหรอผมผมได้มามันไม่ได้นะมันมีฟะตัวมาขอดูหน่อยได้นะเขาต้อ ง, ต, องต้องนํามาให้นะ ถ้าเราต้องการเนี่ยเขาเขาม่ให้นะมันจดแค่นั้นสําหรับเขาเพราะจะมีคําตอบวันเกียมากเนี่ยเวลาไปทําธุรกรรมเนี่ยนะเขามีฟะตัวจากกุลมาตอนนี้สําหรับเขานี่ผิดพอแล้วแต่จะทําอะไรเนี่ยเพราะมันง่ายกว่าไปดูแล้วนี่ไอ้แบงก์เนีน่ยองกำไรของเขากับกรุงไทยนี่ไอ้แบงก์ถูกกว่าอ่าไอแ้แบงแล้วพอไปไปไอ้แบงก์นี่ไงผมเป็นธุรกรรมอิสลามนี่ไม่ใช่ลึกๆของของคุณนี่ยจะใจน้อยกว่าดอกเนี้ย แต่ถ้าดอกเบีย้ยนี่มันถูกกว่านี่คุณจา้างดอกเบีย้ยบ้าไม่ใช่ถ้าวิถีชีวิตของเรานี่ยจะเลิกแบบนี้นี่มันก็มันก็มีแต่เราจะพยายามที่จะให้มีคําตอบจากผู้รู้ถ้าเราไม่พบตัวบทด้วยตัวเราตุบ๊บอุสตาฮิดหรืออาลิมที่เขามีความสามารถนะ้นมันมันเป็นคําตอบสุดท้ายสําหรับมุกั ล, ลิศคือคนทีม่มีความรูม้เราคนไม่ให ม, ม่เลยนี่ผมเจอคุณนี่เป็นปีแล้วเนี่ย มันไม่ใหม่แล้วเนี่เก่ากึกแล้วนั่นเนี่ยยังยังก็ถามว่าเราควรศึกษาอ่านไดอารี่อ่ะเราควรมุ่งเน้นตรงนี้หรือว่าควรโอกัสที่ไทยมีเวลามั้ยมีเวลามั้ยมีเวลาในกาโฟกัสทั้งทั้งสำนวนทั้งภาษาแล้วก็ความหมายถ้ามีเวลาแต่ถ้าไม่มีเวลานะก็โฟกัสไปในเนื้อห า, หาภาษาไทย ควมภาษาไทยอ่านแน่นอนแ น, แน่นอนเพราะโขาถ้าอ่านแล้วก็เข้าใจด้วยสำนวนภาษาอัรับเนี่นะมันจะลึกซึ้งกว่าอันนี้ไม่มีขีดจัดไม่มีคือไม่มีข้อสงสัยถ้าอ่านแล้วเข้าใจด้วยสำนวนภาษาอังกฤษนะมันจะลึกซึ้งกว่าอย่างแน่นอนและมีผลละบุญมากกว่าครับถ้ามีเวลาแต่ถ้าไม่มีเวลานะไม่มีเวลาจริงๆนะนะอัลลอฮ์ก็จะให้ผลละบุญเท่า ถึงแม้ว่าเราไม่ลึกเกินไม่ลึกเท่าที่จะต้องการเราได้แค่นั้นเราก็จะให้ผลละบุญเท่ากับคนที่ลึกไปแล้วเพราะเราไม่มีความสามารถในด้านนั้นถ้ามีของรูปถังตอนแรกมีเวลาถ้ามีเวลาเนี่ยทุ่มไปเลยครับไปไม่ไม่มันเหมือนเราจะไปทำธุรกิจในประเทศจีนไม่มีใครไม่มีใครจะมานั่งลังเลบอกว่าต้องเรียนภาษาจีนไหมต้องเข้าใจภาษาถ้าจะไปทําธุรกิจแบบจริงจังแล้วต้องมีดิภาษาจีนต้องมีดิไม่ต้องมีข้อสงสัยเลย พอได้เปรียบไปพูดกับเขาเป็นภาษาไทยกับคนที่มีภาษาจีนยอยู่แล้วเนี่ยไปคุยกับเขาเนี่ยเราเสียเปรียบแน่นอนทําำไมถึงตอนนี้ในเรื่องเรียนภาษาเนี่ยเราไม่ลังเลเลยนะไม่ลังเลเลยและการที่จะเข้าในภาษาพระเจ้าของเรานี่ทั้งที่เรามีความสามารถมีเวลาเพียงพอเราจะลังเลไหมไม่ลัเล แต่ไม่ไม่ได้ไม่ไดหมายถึงว่าสองสามปีเนี่ยต้องอาดับต้องให้มันไม่ใช่เรื่อยๆไปเท่าที่เท่าที่เรามีความสามารถอย่ามองข้ามอ่านพยายามอ่านกุณอ่านยุคภาษารังกพยายามบ้างนะเวลาอ่านความหมายเป็นภาษาไทยเนี่ยพยายามบ้างที่จะรู้และคํานี้แปลว่าอะไรแล้วก็จดจําไว้อารุนแปลว่าอารุนแปลว่าอะไระสมะสมาวาอะไรเนี่ยพยายามที่จะสะสม ความหมายเพราะมันจะช่วยในการที el, ่จะเข้าใจด้วยด้วยภาษาดับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผ่านคำแปลอย่างเดียว